จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบาิสัตผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาทุกท่านที่ต้องการาะร่วมเข้ามาสนทนาก็เชิญเข้ามาได้ลำดับแรกก็คือเด็กชายพีเค ตามน้ำมาสักการ์มยังไงพี่เคถึงเวลานี้แล้วอยากจะเข้าห้องนี้มั้หรือไม่อยากจะเข้าอ่าอยากจะยังเล่นอยู่ค่ะป้าจัน ไ, ไม่อยากไม่อยากจะเข้าใช่ไหมไม่อยากมาดังเลยจันของพงษ์เนาะอยากจะอยากจะเล่นนานกว่าเดิมค่ะพป้าจันที่มานี้ต้องจำใจมาเนาะแม่บั ง, าบางคับให้มาใช่ไหม แบบังคับมาใช่ไหมเชีย่ะค่คะวันหลังไม่ต้องเข้าก็ได้นะวันหลังไม่เข้าได้ไหมอืมได้ไหมดีไหมแต่ถ้าถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องดูเ e t f ิ i x โอเคไหมเดี๋ยวถ้าเชีนวันนี้ดู Netflix ไ, ไม่ใช่สองวันถึงคะ พ่อวันส์เดยไม่ชที่ะวสเดแล้วก็อีกแค่สองวันกพวันศัพท์แล้วไงใช่แแล้วแล้วคุณเลก็ไม่กลียอ้าวอ่ะนั้นออกไปเลยค่ะถ้ามีก็แม่เดี๋ยวค่อยคุยลูกจ้อตามอจันดีๆก่อนงานสการกับพจอันอ่าหัวขัดสุดมนี้อ่ะ阿拉หัง 阿拉ฮัซมาซาบุตุวิจพักว่าคุณทั้วันตั้ิโทมีวันสวากาโตะพัก w ันตั้งวันสังมันสังมีสิ่งที่ันชัดนี่ดิบอุ่ดีป็นกตสาสังคสังขนิัไม่ปนนะั่มพกตัว阿ตมาาตส นาว่าจะสัพพะขตอัลฮัตตุสมสันปุตสะนาว่าจะสัพพะขตอัลเดษมสันปุตสะอีกคนเป็สังที่จะบน้าวนเกสังมอิติปิโสบุตรกังอันเดลลสุอิติปิโสะอังสัมสัุโวะอิุานมติกิปัโสุขตโลกะวิอนุตตาตปุริสมสติ ซาตานที่ว่ามันสั่งนำปุถุพกาวต a สาวาคสาวาคัตสาวาตัสมุซามิที่ติโกว่ากาลิก็เอชิปัสเอก็โอปานาอิโกปัดจัตงเมทิดาพวินยูฮิติมาติปันโนปักาวัตสาวาคสังโควิชูวิชูมาติปันโน จิปา yeah. yeah. ิพันนพกตสาวกังโคที่ทันเจ้าลิปุริสายุขนย์นี่ปุริสักผูขลเอ็งจะบอกว่าตัวสาวกจังโคอาหัวนยอ๋ป้หันาโอทักขนายโอันเชลีกันลันย์อ๋แอนตันปุริสตาหน้ก็สัตยที่สัตย์ที่ว่ามัสวนพดผกนชาาครับนะคะาานครับ ต้องมีรางวัลได้กันนะมีรางวัลให้ดูเน็ตฟลิกตอนสุดสัปดาห์ค่ะพระอาจารย์สักนค่ะไม่ใช่แบบว่าโอ้ได้แล้วโอเคขอไปดูเน็ตฟลิขาไปดูเน็ตฟลิไม่ใช่มันแต่ว่าเขาลอด้หนค่ะค่ะพระอาจารย์ากต้องพยายามต้องต้องดึงมาค่ะพระอาจารย์เพียงกำเลยค่ะแต่ว่าให้สวดมนต์ทุกวันเ่าเขาเขาเขาดีขึ้นค่ะพระอาจารย์อืม อดีสด็จเสดังดีขึ้นต้องต้องคอยกระตุกกระตุกอยู่ค่ะแต่ก็ดีกว่าแ ต, แต่ก่อนเยอะเลยค่ะพระอาจารย์อ่าดีกป็ปล่อยไปแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการสั่งสอนเลยนะค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้พยายามดึงเขาเข้ามาในตอนที่เราดึงได้ใช่ไหมคะ เ, เดี๋ยวเขาโตแล้วเราก็ปล่อยแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเข้าหรือไม่เข้ า, าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดันยาก ค่ะพระอาจารย์วันนี้อรู้สึกเสียใจนิดนึงค่ะเพราะอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าจะไปกราบหลวงปูป่บัวเกตท่านปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยไม่ทันแล้วเวลามันไม่ค่อยค่จริงๆนะคะใช่ก็กราบได้เวลาไปก็ได้นก็นอนอยู่ในห้องอยู่ดีตอนนี้ท่นกนอนอยู่ในห้องเหมือนเดิมค่ะตั้งใจไว้ว่าปีปีใหม่จะไปก็ไม่ได้ไปปีที่เราไปแล้วว่า เดี๋ยวปีนี้ไปอีกก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆจนเไม่ทันแล้วค่ะครับพระอ า, าจารย์เอ่อเป็นมาเล่ากับท่านก็คือสมัยที่เราตัดสินใจจะบวชเราก็ได้ข่าวว่ามีพระอยู่ใกล้บ้านเนี้อว่าช่องลมเนี่ยเป็นพระที่เคร่งคัดต่อการปฏิบัติก็เลยไปกราบท่านขอปรึกษา ไม่อยากจะบวชแต่อยากปฏิบัติแต่ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะสวดแต่การนะนํนำว่าต้องไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สายภาคอีสารไปบวชก็ไปบวชกับสมเด็จญาณที่วัดประวนันอ่าก็เลยได้รับได้รับแสงสว่างจากท่านท่านชี้วิถีทางบอกให้ไปอ๋อเป็นองค์แรกเลยใช่ไหมคะที่พระอาจารย์เข้าไปกับ ใช่ที่บุพเเราตัดสินใจอย่าบวชเนาะเมื่อก่อนไม่เคยเข้าวัดที่ไหนเมื่อก่อนไม่รู้จักพระที่ไหนก็เพียหเดีถามชาวบ้านที่อยู่กับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็มีวัดช่องลมเนี่ยมีพระกูโบเกต์ น, น, นั่เป็นพระที่เพ่งเข้าในพระธรรมไว้ไหนก็เลยได้ไปกราบขอคำปรึกษาออตอนนั้นท่านหลงวงกูโบเกตท่านอยู่กับอ่ายังไม่ได้ไป อย่างท่านเพิ่งไปเริ่มการไปรกาศหลวงปู่ฟันที่อ ท, ที่สกลนครแนะหลังจากนั้นท่านกบมาท่านก็มาทําสวนป่าไว้ป่าที่ใก้ว่าของท่านท่านมีที่เป็นเป็นไร่มะม่วงมะพร้าวอะไรพวกนี้เชาบ้านมาจากให้ท่านไปปลูกกรตอบให้พระปฏิบัติอเอาก็เลยได้ขอไปดูแล้วก็เลยชอบ แณะกรรมการอนุญาตอยู่ทา้งการอนุญาตให้อยู่ประมาณทั้งเดือนหนึ่งก็กินข้าปบนบ่ายของท่านตอนที่พระอาจารย์ยังเป็นคารวาสนะยังเป็นคารวาสอยู่อันนั้นยังหาที่บวชอยู่หลังจากที่ได้คําแนะนําแล้วหลังจากที่ได้อยู่ที่น่นประมาณทั้งเดือนหนึ่งก็ลาท่านไปที่วัดบวรไปเพื่อขออนุญาตบวช ปัญญด่ยานทั้งมอททังเมตตาปวดให้อ่ปวดแล้วก็ก่ อ, อนุ ญ, ญาท่านไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานจุดแรกก็ไปวัดป่ามัานตาถ้าทห้การอนุญาตให้ไปหลังก็ไปวัดป่ามัานตาแล้วก็อยู่ที่นั่นมาจากนกระทั่งได้เก้าพันเก้าพัาด้วยกันอถึงยาแล้วออกมา เราก็กลับมาอยู่ที่วัดวันในพัทยาอยู่ปีหนึ่งวัดโพธิสัมพันระหลัง่างนั้นก็ไปอยู่ที่วัดญานมาตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ปสีสองเจ็ดเมื่อที่ไปอยู่วัดมาอยู่วัดวัดญานนี้่านี่หกเก้าก็สี่สิบสองปีแล้วอปฏิคตานพระอาจารย์ แก่งามากเลยค่ะอยู่ที่เดียวตั้งตั้งจริตมุ่งมากบอกไปไป็นนแล้วมันคนเสื่อมแล้วมันคนจนต่ำมันก็จะไปไหนจะอยู่อะไรเดี๋ยวที่ไปอือแล้วก็ได้มีโอกาสไ ด, ได้ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่โบกเกตได้เป็นครั้งคราวตอนที่อยู่ชนบุรีเนี่ยใช่ไหมคะไม่มีไม่เคยเลยไปพบท่านเลยออไรแล้วมักจะไม่ได้เคยไปหาใครเพรบใครอ่า อยู่เก็บตัวองเราอยู่คนเดียว mm hmm. แต่ท่านก็เนี่ยมาปิที่แล้ว ส, สองปีก่อนท่านก็เมตตามาเยี่ยมครั้งหนึ่งท่านท่านยงนั่งรถเข็นอยู่อ่าธ uh ุ huh. สิทธิ์พาท่านมาเปิดหูเปิดตา uh huh. ดูนล้วก็พอทราบวา่าเราเคยมีอะไรกับท่านเขาก็เลยพาท่านมาเทปุติ mm hmm. แล้ว mm hmm. ท่านก็ับท่านไปเทปุติ mm hmm. วันนี้อพอทราบค่ะ อ, อันนี้ก็ผููให้ทราบเป็นประเด็นเล็กๆเพราะบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจไม่ท <c oughs> ราบเรื่องราวอ๋อสารุกข่านหนูก็เพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งทราบเคยทราบว่าพระอาจารย์กับอ่อหลวงปู่โบเกตเอ๋อเป็นเป็นพื้นเพย อ, อยู่ที่ชนบุรีด้วยกันเหมือนกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็พระอาจารย์มีเคยมีถวายผ้าไตรมาศหลวงปู่โบเกตใช่ไหมคะแต่ก็ไดทราบแค่นั้น ตนนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ะเห็นในข่าวค่ะก็เลยหนูหนูก็ฟังหลังจากที่รู้จักพระอาจารย์ใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะของหลวงปู่ปรเกตแล้วจากนั้นก็ฟังมาตลอดนะคะรู้สึกเย็นแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกับที่พระอาจารย์สอนแล้วก็ตามสายพระป่าหนูก็เลยรู้สึกถูกจริตทีนี้วันนี้พอพอทราบข่าว น้ำตามันไหลทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนที่ปู่ย่าไอตอนตายยายเสีย <c oughs> หนูไม่ได้เสียใจแต่ทำไมครับครับระอ่าพระสงฆ์อย่างหลวปู่ค่ะสทธาในตัวท่านหนูค่ะพระอาจารย์รู้สึกเสียใจแล้วก็แบบเข้าใจเลยค่ะเหมือนท่านสอนด้วยค่ะว่าเออเวลามันไม่รอใครนะหนูผัดวันไปเรื่อยเรื่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจ ะ, จะไปจะไปจะพาน้องไปกราบอีกปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยตั้งใจจะไปไงคะ ก็ไม่ถัานงั้นเลยรู้สึกเสียดายค่ะเสียใจอ่าเนี่ยเอาเป็นบทเรียนว่าจะทำอะไรรีบทําเสร็จตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ได้ข้อคิดมากเลยค่ะเล้วกอว่าโอ๊ยทําไมเราเป็นอย่างนี้นะไม่น่าจะผัดวันประกันพรุ่งเลยค่ะอเวลาขี้เกียจให้นึกถึงความตายตเตือนเติค่ะไม่รู้ว่านนจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะค่ะค่ะอาจารย์ โอกาที่ได้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เป็นของง่ายอ่าพระอาจารย์วันนี้สองสองสองสององค์เลยนะคะหลวงปู่บุญมาหลวงปู่โอเกตว่บุมาเขาไปด้วยเหรออ่าวันนี้หลวงปู่บุญมาด้วยค่ะหลวงปู่บุญมาท่านละสังขารตอนเจดโมงนะคะแล้วตอนหลวงปู่โอเกตตอนเก้าโมงค่ะค่ะพระอาจารย์ไปตามตามกฎแห่งกรรมตามกฎของไตรลักษณ์่พระเจ้าสอน่ะอันนี้จะว่าแต่สามขาละ สังารทั้งหลายเป็นขอไม่เที่ยมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเออการปล่อยวางการละวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งเอออย่าไปยึดเป็ทางนี้ก็ค่ะเป็นติการถ้าเราไปมไม่ใช่ตัวเราของเรานี่น้ำนมใสเป็นตกตาตัวหนึ่งนาเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้มา ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือชั่วคราวค่ะพระอาจารย์น้อมนําไปปฏิบัติค่ะโอเคการนมัสการขอให้พระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงนะคะอย่ามาขอเลยมันขอได้ก็ดีขออย่างน้อยอย่างน้อยสั้งร้อยปีนะคะขอร้อยปีก็งดีค่ะขอนิมบนพระอาจารย์อยู่ตั้งร้อยปีนะคะการนมัสการค่ะโอเค วันนี้เด็กๆอื่นไม่มีเลยนะไม่แต่จำแม่กับเจัดที่อฮาจำแม่เจัดที่เลยเรามาราชการมาอาจารย์รครับมาส่งกัน บ, บ้านครับเออตรงกันบ้านจำไว้นะที่เราทำโอเคบ้านมาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องค้นความเจ็บไข้ไ ป, ปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้องพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นตา่ตางๆ <c oughs> คือว่าเราจะต้องพัดพากจากของประของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> เรามีกรรมเป็นของของตน <c oughs> มีกรรมเป็นผู้ให้ผล <c oughs> มีกรรมเป็นญาตเกิด <c oughs> มีกรรมเป็นผู้ติดตาม <c oughs> มีกรรมเนที่ขึ้นอาศัย <c oughs> เราทั้งกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป <c oughs> เราจะเป็นภัยิบคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นซึไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอ่าจำไว้นะ ทุกอย่างที่เป็นความจริงนะเม่ต้องจากกันเนี่ยจะแมจ่จะที่กับแม่กับพ่อนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมปตลอดนะครับอโอเคแล้วร่างกายเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างในร่างกายเรามีผมขนแอฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ในกระดูกมา้ามหัวใจตับตังผื่งไต ปอดไซใหญ่เซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีสับน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงอน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงอน้ำเลือด น้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีแก้ในสมองศีสษะอาหารเก่าอาหารใหม่เส้นน้อยเส้ใหญ่ปอดไตทางผื่นตับหัวใจม้างก้ <Yeah. S 1> ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังปันเล็บขผมเป็นตัวเราหรือเปล่าไม่เป็นครับเราคือใคร Invisible Man ครับอ่าผู้รู้ผู้คิดนะครับผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราเออคนละคนกั น, นมันจะแม้กระแจ๊ดที่คนเดียวไหมหรอือเปล่าไม่เป็นครับอ่าจะแม้เวลาจะแม้แต่อะไรไปแจ๊ดที่ต้องเป็นไปด้วยหรอือเปล่าไม่ครับอ่าต้องแยกให้ได้ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะ ใจไม่มีวันแก่มันเจ็บวันตายเพราะใจไม่มีรูปร่างไม่มีร่างเหมือนร่างเหมือนร่างกายใจเป็นธาตุรู้ knowing element ครับร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เ, เดี๋ยวธาตุสีก็ต้องแยกออกจากกันไปแต่ธาตุรู้นี่ไม่ต้องแยกธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้อยู่ตลอดเวลา ครับถึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมล่ะอย่าไปยืดไปติกัร่างกายเนะับ<ช>เป็นเหมือนก้อนเมฆเนี่ยก้อนเมฆเราไปกวบคุมบังคับมันได้ไหมไม่ให้มันมดเดี๋ยวมันก็กลายเป็นฝนตกลงมาใช่ไหมใช่ครับอ่าล ะ, ะลายอยากก้อนเมฆกมกลายเป็นน้ําก<ช>้อน<ๆ>ร่างกายนี่ยเดี๋ยวก็ยากกลายเป็นดินน้ํำลมไฟไปครับ โอเคมีคำถามอะไรไหมไม่มีอะไวครับโ okay. อเคเห็นไปที่น้องทีมกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ครับานมัสการพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงน้องทีมฉันสมาธิไดห้ห้าวันครับห้าวันหาไปได้ยสองวันนะ ว, วันหนึ่งไม่ได้นั่งอยู่แล้วก็อีกวันหนึ่งลืมนั่งค <laughs> คือจริงๆลืมนั่งสองวันค่ะพะจาร์กวันาทเนี่ย excuse ไม่ได้นั่งอยู่แล้วแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าโดดเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยู่ไม่นั่งชดเชยอะ่ะเดี๋ยวต้องเข้า o ู m อะ่ะยู่ไม่มีการบ้านมาส่งนะเมื่อกี้ก็เลยให้นั่งชดเชยไป นั่งด้วยก็บอกว่าให้เขานั่งให้เขาตั้งใจนะอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เลยให้เขานั่งชดเชยไปก่อนค่ะอาจารย์ก็เลยจะจากที่แบบปกตินั่งหกวันได้ชดเชยมาหนึ่งวันก็เลย อ, อย่าขาดทุนนะาต้องอเต้อง อ, อย่าขาดทุนต้องรักษาทุนไว้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอาจารย์เฮ้หนูก็ถามเขาใช่ไหมคะว่าเออแล้วเวลาที่นั่งอ่ะทิม ทีมเท่างสวดอะไรเพราะหนูมาจะบอกเขาให้พุโทโธพุโทโธค่ะคือหลังเขานั่งเนี่ยคือเขาก็นั่งได้ครบตรงเวลานะคะรอาจารย์แต่แบบเหมือนคืออย่างว่าแล้วพอสติมันไม่ได้มีก่อนค ะ, ะมันก็จะแบบมีความแบบอึดอดอะไรเงี้ยเขาก็พยายามทนเขาก็บอกเมื่อกี้เนี่ยเขานั่งกัดฟันนก็เลยถามเขาว่าเขาแล้วตกลงเขาได้ใช้พุโทโธไหมที่อาจารย์บอกอ่าทิมบอกอาจารย์ใ่ทิม<อ>ใช่ใช้ไก่ทอดค่ะ <laughs> แล้วไม่หิวอนะ่เป็นเช่นกินเต็ไก่ทอดหิวค่ั่นเลยไม่คิดทําไมนะแบบหนูว่าแล้ว่าไม่เป็นแบบคือเปลี่ยนเป็นคําอื่นได้ไหมเอาจากไก่ทอดเปลี่ยนเป็นพุทโธแทนได้ไหมอะไเงี้ยเพราะเขาบอกาไก่ทอดทําไ้เขาผ่านผ่านแบบเหมือนอดทนจนแบบจนจบได้ค่ะหนูก็ว่าบอกว่เดี๋ยวบอกพระเจ้าละกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวกินเดี๋ยวจะไปอยากจะไปกินไก่ทอดขึ้นมาเลย แลเล่นน้ำกี่นาทีคะสิบสี่นาทีครึ่งสิบสี่นาทีกับเครึ่งเรเพิ่มเพิ่มแอดอัพขึ้นมานิดนึงนะคะอาจารย์ก็เป็นสิบี่นาทีครึ่งอะค่ะแล้วหิวไก่ทอดหรือเปล่าอยากนั่งเสร็จแล้วหิวเลยของของคุณแม่กินหรือไม่ได้ขอค่ะแลก็หนูก็หนูก็ มันก็คิดไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็ไม่รู้จะยังไงอะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะพูดอย่างเงี้นแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูก็จะค่อยๆบอกเขวาว่าค่ะว่าแบบให้ลองแบบเออลองจับช่วยทีพ่โสดีกว่ามั้งเออเดี๋ยวให้เขาเปลี่ยนเป็นโสอิติพิโสเลยแบบเนี้ยค่ะมันจะได้แบบแบบไปต่อเน้ น, <อ>ในใจมันก็ไปทางกิเลสอะค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะก็ต้อง ค่อยค่อยแบบค่อยค่อยค่อยค่อยกลุ่มเข้าไปอ่ะค่อยสอนไปค่อยคสอนไปใช่เพราะว่ามันก็ยังคงแบบคงแบบเหมือนต้องฝืนอยู่สําหรับเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ยังดีเขายังอุตสาึ์เข้ามาได้เลยโอเคก็ต้องพยายามแบบเหมือนเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนกับล อ, <laughs> องลอู่นะก็ต้องไม่เหมือนน้องแจตตี้กับแจแม่นะเข้ามาเป็นประจําเลย ใช่หนูก็พยายามจะให้เขาเข้ามาเป็นประจําเหมือนพี่จามาจเตี้ค่ะเ้าก็แบบคือเขาก็เข้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนแบบคงยังไม่ได้ไปสเต็ปเหมือนพี่จามาจเตี้อ่ะต้องแบบพยายามพยายามใช่ค่ะก็พยายามหนูก็คิดว่าแบบเอออย่างน้อยก็ให้เขาได้เข้าเข้าทุกพุทธเป็นให้มันเป็นหน้าที่ไปแล้วก็การแบบนั่งสมาธิก็ให้มันเป็นแบบหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยจะชอบไม่ชอบก็ คือเรื่องเนี้หนูก็บอกเขาว่าเรื่องเนี้หม่าม่าขอนะแบบแม่ขอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแล้วเราเราทีมจะรู้ว่าสิ่งที่มาให้ทีมฝึกเนี่ยมันเพื่อตัวทีมเองทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งแบบเขาจะรู้อะไแบบเนี้ยค่ะก <รอ S 1> ็ะะพ<ร>ายพ<ร>ายามไปหาวิธีแต่ <c oughs> แต่จะคิดได้ก็แล้วกันแต่ละบ้านก็ต้องมีวิธีแบบก็ต้องพยายามดึงเขาให้ได้มากที่สุดอะค่ะแต่มันก็ขึ้นหนูคิดว่าสุดท้ายแล้วไอเดียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเขาอค่ะผอาจารว่า เราก็ทาดีที่สุดะล้วใช่ค่ะพรอาจารย์หนูก็ถึงสุดท้ายมันก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะพะอาจารย์ถ้ามันไปต่อได้มันก็ไปต่อค่ะอาจารย์หนูก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องทาใจอะคอ่ะค่ะอาจารย์ใ ห, ห้เราทำหน้าที่ของเราไปนะคุณตาค่ะพอาจารย์ก็พยายามทาหน้าที่อะค่ะอาจารย์าก็แบบ ในในพาร์ทของหนูอะค่ะพระอาจารย์หนูแค่อยากจะบอกพอดีหนูเพิ่งเพิ่งครบรอบปีนี้ขึ้นเลขห้าแล้ค่ะพระอาจารย์รอบนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนว่าแบบเออมันเลยมันเลยพระพุทธเจ้าท่านก็แบบท่านเสด็จดับขันปรินิพานตอนแปดสิบพรรษาใช่ไหมคะหนูก็คิดว่ามันเกินเกินครึ่งชีวิตมาเยอะมากแล้ว่ค่ะพระอาจารย์เวลาของเราอะมันนับถอยหลังแล้วค่านับถอยหลังแบบทุกวันทุกวันนะคะพระอาจารย์ มันคิดอย่างจริงๆนะคะพรอาจากคือหนูคิดว่าพอพอทุกครั้งหลังขึ้นครบมันเกิดทีไรอ่ะมันรู้สึกแบบยิ่งทุกวันเวลาผ่านไปทีละนาทีทีละชั่วโมงชั่วโมงอ่ะผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งปีอ่ะค่ะมันเร็วมากค่ะพรอาจารย์เวลาถ้ามันเป็นเหมือนงูงูยักษ์ค่อยๆเขมือเบี้ยวเข้าไปที่หนึ่งทีอันนี้ใช่อ่ะค่ะเราเป็นเหยื่อของงูยักษ์หนึ่งกลังเขมือบี้ยแล้วเข้าไปในท้องก็แล้วมันเหมือนแบบบางทีอ่ะด้วยความที่เราแบบ หนูก็รู้สึกว่าหนูยังโชคดีอะค่ะได้แบบได้พบเจอกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระอาจารย์ใช่ไหมคะหนูก็จะมีพระอาจารย์เป็นเป็นสารณะอะค่ะบางทีแบบหนูแบบหนงแบบห น, ห น, ห น, ห น, หนูมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักอะค่ะเขาก็เริ่มปฏิบัติพร้อมๆหนูอะค่ะแต่เหมือนเขาแบบไม่ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบยึดเหนี่ยวอะค่ะมันก็มันก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ไปต่ออะไรแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์หนูคิดว่าแบบมันสําคัญนะคะที่ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยแบบเหมือนคอยเตือนสติเราอะไรแบบเนี้ยค่ะ ทางนี้มันลงได้ง่ายเพราะคุยเยอะกัน<ะ>แต่ละคนมาพูดมาคุยกับเราถามนู่นถามนี่แล้ไม่หมดทำอย่างนั้นทำอย่างนี้<ะ>มันไม่รู้ต้นชนปลายมันอยู่ตรงไหนกันบางคนก็จะสุภาเลยบางคนก็จะ อ, จ ะ, ะ, อะไรก็ไม่รู้<ะ> <laughs> ของของขหนูก็อนุบาลทีลสเตวค่ะก็ตามตามที่อาจารย์สอนค่ะสติค่ะสติมาก่อนแล้วก็สติสมาธิมาก่อนแล้วค่อยปัญญาไม่มีสติก็ไม่มีกําลังมาสนับสนุนสมาธิค่ะไม่มีกําลังของสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะก็มีหน้าที่ฝึกสติไปในแต่ละวันอะไรแบบนี้ค่ะเออนี่เอาข้อไก่ข้อไข่ก่อนก่อนที่จะไปอ่านอนอเขียนด้านนีลอง อัจกอไก่เขาขายจาให้ได้ไหมคะก็ฝึกไปค่ะพราจารย์ก็ก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพอาจารย์ก็ค่ะได้เจ้าค่ะพอาจารย์ก็ขอให้พอาจารย์ทอดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะทุกท่านคุณหมอสุทธาเนลูกไม่มีคำถามสจ้าค่ะอาจารย์าจารย์วันนี้ทำงานหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ทำเจ้าค่ะหยุดวันพูดเลย หยุดเป็นคุนเจ้าค่ะท่านอาจารย์โอเคใช้เวลาปฏิบัติธรรมทั้งวันเลยเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์อ่าดีวันพระของเรานะคือวันหยุดทํา ง, งานของเราเจ้าค่ะดี<ข>สาธุขอบคุณค่ะงั้นไปที่คุณเอกต่อคุณเอกเชียงรายการมรดกการพระอาจารย์ครับ ปไปใหญ่หน้าไปหลายหลายวัหนหลายทิศครับก็ไม่ได้มีคําถามใดแต่ก็ฟังพระอาจารย์ฟังนอกอยู่กับอาจารย์ครับครับวันนี้ก็เข้ามารับฟังกับอาจารย์เรียนรู้หมดแล้วจะทํําทาอะไรที่ทําได้หรือเปลาครับถามครับได้ครับก็อีกมาทีาแล้วขั้นต่อไปต้องฝึกปัญญาต่ อ, อสู้กับทุก ข, ขเวทนาครับ พิจนาทุกเวทนาว่าเป็นตายรับอห้ามไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไล่มันไม่ได้เวลามันจะมาก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้แล้วนี่อวิปัสสนาปัญญาถ้าไม่มีสมาธิเจอความทุกข์มัก็วิ่งจูดเลยหนีเลยล้อมทับเลยแต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็สามารถตั้งตั้งรับได้ อคงงทีคิดว่าปัญญาเพียงแต่คิดเฉยๆคิดเฉยๆใครก็คิดได้ตายรักใครก็คิดได้แต่ว่าเราปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องเจอของจริงอะเจอทุกขเวทนาแล้วมาพิจารณาว่ามันเป็นตายรักโดยโดยที่ตายไม่ได้หรอเปล่าครั บ, รบใช่ครับ ค, บคนชอบวิปัสสนากัารค่ดว่าเป็นวิปัสสนาเนื้กันนึกแล้วก็บรรลุทําได้เลยอ๋อ สกายาทิฏฐิไม่ใช่ตัวเราของเรารพอเข้าใจปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการแก่การเจ็บการตายว่าเป็นยังไงมีมีเห็นมีมีกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครับเท่านั้นเราดูเห็นมีกันเยอะอยู่เวทีเัราะฉะนั้นะไม่เคยเจอเวทพัฒนาเวทีพัฒนามันต้องเจอความตายต้องเจอความเจ็บ มันดูซิว่าเป็นยังไงเวลาเกิบความทุกข์ขึ้นมาแล้วใจดับความทุกข์ได้ไหรือเปล่าครับเวลาหมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีกเจ็ดวันเจ็ดเนี่ยจะตายเลยโดยดูดิ ม, มันต้องมีทุกข์มันถึงจะวิวิทวิปัสนาได้ถ้าไม่มีทุกข์มันยงมันก็ไม่มีมันก็ไม่รู้จะไปแก้อะไรได้อย่างไรใช่ไหมที่เขาพูดว่าทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดนะครับ ทามีทุกข์ก่อนพอมีทุกข์พรานี้ปัญญาต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ข, ของความทุกข์นะเกิดจากตัณหาวความอยากไม่เจ็บอยางไม่ตายถ้าห้ามมันไม่ได้ห้ามได้หรือเปล่าามเจ็บหทำตายครับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองมันต้องมีทุกข์ก่อนถึงจะวิปัสสนาได้คนบางคนที่วิปัสสนาก็คือนั่งคิดไป เป็นทฤษฎีไปอช่แต่ไม่ใช่มันไม่ปัญญาทางปฏิบัติมันต้อเจอทุกครับผมเวลาใครเวลาใครเขาทิ้งเราโกงเราเงี้ยเอาเงินของเราไปเงี้ยเราจะไม่ทุกได้หรือเปล่ายิ้มได้บ่าไม่ใช่ของเราเงินทองครับครับเนี่ใครมาเอาแฟนเราไปเงี้ยยิ้มได้หรือเปล่าแฟนไม่ใช่ของเราครับอ้าวต้อวิปัสสนาไง อันนี้่อ เ, เจอของจริงต้องเจอทุ ก, ก่อนอทุกกับความสูญเสียที่สิ่งที่เรารักแล้วเราทําใจให้ยิ้มได้ป่ะว่าไม่ใช่ของเราอนิจจ์อนัตตาอันนี้นนนถึงีะเรียกว่าวิปัสสนาจริงแต่ให้คิดคิดไว้านู่นนัานก่อนได้แต่คิดนั้นมันยังไม่เป็นวิปัสสนานเป็นการเป็นการเตรียมตัวเตรียมการไว้ว่าเราไปถ้าเกิดแฟนทิ้งเราไปเราจะทํำยังไง เราจะยิ้มได้ปะเราจะดีใจหรือจะเสียใจถ้าเราเสียใจก็แสดงว่าเรายัางเย็ดติดอยู่ยังไม่ผ่านนะครับเออยังไม่ผ่านอันนี้ยังไม่ผ่านยังรักยังหวงอยู่อืถ้าถ้าแกถ้าเข้าไปแล้วยิ้มได้หัวเละได้โอ้โล่งไปอุบาสโมสุขขปล่อยวางสังสารได้เป็นสุขอย่างยิ่งฮะครั บ, รบปล่อยวางแผ่นได้แผ่นจะไปไปเลย แฮปปี <Happy. S 1> นี่นี่อวิปปสุนาแต่ทําได้มันต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาส่วนครับงทําไม่ได้หรอกถ้าใจมันยังไม่มีอุเบกขาไม่มีไม่มีสมาธิมันก็หิวมันก็ยึดมันก็อยากจะได้การอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเราอิ่มแล้วมีความสุขในใจแล้วะ การจะอยู่จะไปก็เท่าเดิมมันไม่เดือดร้อนนะไปถ้าเยอะได้ยิ่งดีเะไม่ต้องมีภาระต่อกันครับใช่ครับไม่ต้องมีภาระดูแลครับไม่ต้องมาห่วงมันกังวลกันเนี่เนี่ยเนี่ยคือเวปัสนานะผมถ้าไม่มีสมาธิทําใจไม่ได้หรอกครับครับผม <Okay. S 2> ก็ปฏิบัติก็ทุกวันนะครับระอาจารย์เวลานั่งไปก็นั่งดูโ ท, โทไปดูลมไปก็ลมก็หายไปก็อยู่โป่งโรคเบาอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์อืมทุกประามาทำหน้าที่ไปก่อนับทุกเชานะ้านะครับอาจารย์ถ้าอยากจะวิปัสสนาก็นั่งให้มันเจ็บนตะลองสู้ความเจ็บดูแนะีววิปัสสนาครั บ, บอืม อย่าขยับฝ่ายมันเจ็บไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปฝ่อยมันดับไปตอนนี้มันตั้งอยู่ก็ฝ่อยมันตั้งไปครับครผมน้องนำไปปฏิบัติกับพระอาจารย์ครับอาจารย์ดีจ้าขอบอกคุณพระอาจารย์ครับผมขอพระอาจารย์ท่าผ่านแข็งแรงครับผมอขอได้ครับขอเลย ขอมันสั่งมันได้เลยอนันตาเป็นอตานะครับครับครับสาธกการข อ, อถ้าฉันขอสาธกการอยู่เกินสองพันปีได้ไหมเอ้ยไม่เอาค่ะไม่เอาเลยทำไมนะ่ะไม่เอาอย่างกระโขงกระดูไม่ ม, ไมีเอาค่ะเอาแบบปกติอย่างนี้แล้วก็สักหกสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ อ, อมีแรง น่าจะดีสุดแต่เรียกไม่ได้ค่ะอยาไม่ได้แต่วายามเพิ่งตัวเองให้มากที่สุดใช่ค่ะอ่า ม, มาฟังธรรมกับพระเาจาโอเคอ่าอ้อมคุณอ้อมเป็นยังไงมาฟังธรรมอาทิตย์ทีแล้วนี่เป็นยงไงบ้างก็ดีค่ ะ, ะ แ, ฟแฟนแฟได้อุบายใหม่อีกแล้วค่ะ เนี่ได้เลยเขาเขาบอกว่าต้องแยกใจออกจากร่างกายค่ะเขาแยกได้ปะเขาพอดีวันนั้นเขาบอกว่ามันร้อนเขาก็เลยบอกว่าอืมถ้าร่างกายสบายนี้มันน่าจะแยกได้ง่ายเขาบอกอืมมันต้องร่างกายต้องทุกก่อนมันถึงจะแยกได้ถ้ามันสบายมันก็เยือติดแต่เนี้ยค่ะ โอเคไม่มีอะไรนะค่ะโอเคกันไปที้คุณดิศยาต่อเดชญามาการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างหายหน้าไปหลายวันค่ะที่ผ่านมาทุละเขาเรียกอะไรคะงานเยอะมากคะ่ะแล้วก็ป่วยไปด้วยคะ่ะแต่ว่า ไปแก้ปัญหาอยู่แล้วก็เลยเจอคะ่ะพระอาจารย์ว่าโอหหนูโง่ที่ตอนแรกคิดว่าง่ไม่มากตอนนี้รู้แล้วคะ่ะว่างงมากในทางธรรมคือแบบว่าต้องมาพึ่งพระอาจารย์อีกเยอะคะ่ะแต่อันนี้พึ่งหนูไปเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปัญหาอย่างหนึ่งคะ่ะตอนแรกนึกไม่ออกแล้วจนสุขภาพมันแย่ลงไปคะ่ะพระอาจารย์เลยเจอว่าเป็นกระเพาะหนูก็เลย มันเชื่อมจากช่วงวัยเด็กอะค่ะถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูตื่นเต้นหนูจะอาเจียนตอนนี้หนูก็เลยคิดว่าสงสัยเราต้องเครียดเรื่องนี้แน่ๆหนูก็เลยหยุดพักเรื่องงานไปก่อนนะคะแล้วก็เริ่มไม่ได้ทำงานนั่งสมาธิจริงๆมันก็ช่วยแค่ทำให้เราเบาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าปัญหานั้นมันยังอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ค่ะหนูมาเจอว่าหนูสิ่งที่หนูเครียดคือ ที่พระอาจารย์บอกเรื่องไตรักคือหนูนึกไม่ออกอะค่ะพระอาจารย์เพราะไม่เจอกับความจริงแต่พอตอนนี้ค่ะหนูไปหนูมาเห็นจริงๆว่าอ๋อที่หนูเครียดอะค่ะหนูไปเครียดในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ไปเจอในในฟีดในในในโซเชียลพอดีหนูก็เลยเริ่มตาสว่างแล้วเริ่มคลายไปอะค่ะพระอาจารย์ว่า เออแบบคือหนูชอบไปกลัวเรื่องเมื่อก่อนตอนที่เราต้องทํางานเกี่ยวกับการสอนเด็กเรื่องผู้ปกครองเรื่องคนใช่ไหมคะหนูกลัวว่าเขาจะไม่พอใจทั้งทั้งแบบทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่จริงๆมันเป็นไปตามกฎนะคะเขาจะมาขอผ่อนผันอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเวลาที่หนูปฏิเสธเขาไปหนูจะรู้สึกมวนท้องอะไรไปหมดเลยแล้วตนเครียดะคะ่ะอาจารย์สะสมหลายๆลหลายหลาปีคะ่ะผอาจารย์พอตอนเนี้เริ่มเริ่มเจอว่าเออจริงๆ เราไปตัวสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็พอได้พักเราได้ได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นนะคะพระอาจารย์คราวนี้มีแชทมาต่อขอต่อรองเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์หนูก็เริ่มเห็นเห็นจิตมันขึ้นมาเป็นขณะขณะค่ะว่ามันมีอาการทางทางความกลัวขึ้นมาแล้วมันมีความคิดเป็นแวบแว บ, แวบมันหนูก็เลยจับได้ว่าอ๋อหนูกลัวเขาจะไม่เรียนจับเราต่อหนูกลัวเขาจะว่าหนูกลัวเขาจะไม่เข้าใจแล้วก็มาครอบไปจบที่ว่า เรากาลังกลัวสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยเริ่มดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ตอนนี้กระเพาะมันก็เลยเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ตอนแล้วก็เหลือแค่พักผ่อนแต่ว่าจริงๆหลักๆมาจากใจค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูเลยแบบคือเลยตัวเองยังโง่อยู่มากจริงๆค่ะพระอาจารยา์หนูไม่รู้ลคะค่ะตอนที่เจอปัญหาคะ่ะว่าตอนที่หนูนั่งสมาธิแล้วพอออกมาหนูพยายามคิดว่า เรากลัวอะไรเราเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าเราต้องอยากอะไรสักอย่างใช่ไหมคะที่เราทุกข์อะค่ะหนูก็นึกไม่ออกว่าหนูอยากอะไรอยากให้เขาดีกับเล่าเหรอเอ๊ะมันมันนึกไม่ออกแต่สุดท้ายค่ะรวมๆคือหนูไปไปกลัวสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เลยเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนป่าใช่ค่ะแล้วก็มีบททดสอบมาจริงๆมีเขาเขาถามว่าเขาจะลาได้ไหมทั้งที่จริงมัน ตามเงื่อนไขในรายละเอียดน่ะเคยคุยกับเขาไว้แล้วว่าไม่ได้ก็ส่งไปว่าต้องขอโทษได้นะคะแบบว่าใส่สติกเกอร์ให้มันดูอืมสุภาพที่สุดแล้วก็โอเคเราทําเต็มที่ละก็คือมันคมุมคุมไม่ได้จริงๆบางทีเมื่อก่อนจะคิดว่าทําไมเราคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเหรอนะทำไมมันเป็นแบบมันคิดไปสารพัดเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วพยายามพูดโทษแต่ก็แบบพยายามพูดว่าเราคุมเขาไม่ได้เราควบคุมเขาไม่ได้มันเอาไม่อยู่ค่ะพระอาจารย์แต่พอตอนนี้มัน ไม่ควุ้มนะอะไรนะคะไม่คุ้มะนะใช่ค่ะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไอจากเขาแล้หรือต้องเจ็บก่อนค่ะพระอาจารย์เพราะป่วยค่ะพอป่วยแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องขนาดนี้ด้วยมันไม่ใช่ละมันไม่ได้ละอะไรเนี่ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เริ่มดีขึ้นเลยค่ะมันคาว่าควบคุมไม่ได้มันมันค่อนข้างงงสำหรับหนูต้องค่อยๆแกะไปทีละนิดค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อก็เริ่มแก้ปัญหาได้ค่ะ อ้าเนี้เข้าใจแล้วก็คุมมานได้เป็นยังไงใช่ค่ะใช่เลยค่ะพระอาจารย์หนาไม่อยากเขาเลิกเรียนแต่เราก็คุมเขาไม่ได้อเขาจะเลิกก็เลิกเขาก็จะเลิกใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ทําไปไปทบทวนว่าเรามีข้อไหนที่เราบุกคล้องหมายถึงว่าเราผิดตรงไหนแต่เราไม่ได้ผิดแล้วแต่ว่าเราก็จะกลัวเขาไปคิดนู่นคิดนี่มันทําไม่ได้แล้ว มันก็โอเคตามนั้นเลยเราต้องรักษาใจรักษาสุขภาพเราด้วยมันก็กลายเป็นไม่มันหายค่ะพระอาจารย์อ่าอายเครียค่ะอายเครียดกระทบต่อนั้นตายก็หายไปด้วยใช่ค่ะพระอาจารย์ไปไปวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้นั่นแหละค่ะไปแก้ปัญหาค่ะที่จริงมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะแล้วก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อันไหนที่ควบคุมได้ก็ แก้ไปแล้วก็ถ้ามันจะมีอะไรตอนแรกคิดอยู่ว่าถ้ามีอันนี้เกิดขึ้นมาละ่ะโอเคไม่เป็นไรเราทำตามสเตป ม, มันเถอะปล่อยปล่อยมันไปตามสถานการณ์ดีกว่าแล้วก็แก้ปัญหากับมันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสมัติความอยากขอเเ้เาอยากจะควบคุมเขาพอควบคุมเขาไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นความโง่จริงๆค่ะพระอาจารย์หนูไม่รู้ว่าหนูไปอยากอะไรค่ะที่ก่อนหน้านี้ที่หนูหายไปอะค่ะก็ะพยายามแก้ปัญหาแล้วก็แต่ว่านั่งสมาธิคือมันช่วยให้ให้เราเบาค่ะแต่ว่ามันก็เบาได้แค่เฉพาะหนูไม่ได้นั่งตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์นั่ะมันจึงไม่ได้มีกาลังสู้ออ ก, กับกิเลสที่ออกับความอยากแค่มีสมาธิมากๆมันก็จะสู้ออกับความยากต่างๆได้ปล่อยวางได้ง่ายกว่า Oh. Okay, ทําใบพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มาก <Okay. S 2> แล้วก็สอนใจว่าไม่มีอะไรเราควบคุมบังคับได้ออไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปอะไจะมาก็ปล่อยมันมาอะไจะไปก็ปล่อยมันไปแค่ น, นั้นเองอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีอะไรกินก็ได้อดตายก็ได้ ข่ะพระาอาจารย์เราโกดตายกันเนี่ยต้องมีรายได้เห็น <c oughs> ไหม <c oughs> ใช่ค่ะพระอาจารย์ยังตายไม่เป็นยังยอมตายไม่เป็นถ้ายอมตายแล้วสบายโลกไปหมดเลยค่ะ <c oughs> อืมโเคค่ะอตอนตอนนี้ที่จริงก็ขี้เกียจ น, นะคะพระอาจารย์ปกติก็คือนั่งส ม, มาธิคือนั่งให้รอให้มัน เข้ามาสักวาบหนึงน่งวาดหนึ่งปุ๊บก็ไม่ประคองต่อนิดหน่อยแล้วก็รีบออกออกเลยค่ะพระอาจารย์คร<ม>าวนี้คงต้องให้มันเพิ่มเพิ่มต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนเราจะใช้เวลาให้กับการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันยากาอารมณ์มันจะไปทำกับการทำอาหากินมากกว่ามาปฏิบัติทะ อย่างคุณมอคุณนนท์สุทธัตเนย์อหยุยุตวันนี้ใช่ไหมทั้งวันเลยเอาเวลามาปฏิบัติธรรมทั้งวันหนึ่งมีวันหยุดบ้างว่าไม่มีอะไรเลยนะอาหารกินมีแต่เวลามาใช้กับธรรมะม่ใช้กับกิเลสต่อหยุดทํางา น, นก็ไปเที่ยวไปกินไปเดินไปไปเล่นกันไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมจริงจังทั้งวันนึเลยนะเจ็ดวันด้วยกัน พระเจ้าทรงกำหนดวันพักขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรามีเวลาให้ากับการปฏิบัติอย่างจริงจังแต่เราไม่รู้ว่าความหมายของวันพักว่าไม่ไว้ทําไ ม, มที่จริงตอนเออเจ็ดวันที่จริงก็แทบไม่ได้พักเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันที่พักก็คือจะต้องไปทำํทำทํางานแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เอา แก้ปัญหาอันนั้นออกไปแล้วคะ่ะค่ะก็น่าจะมีเวลาว่างขึ้นค่ะพระอาจารย์น่าจะยังยังไม่กล้าตัดสินใจว่ามีไ ม, ไม่กล้าฝันทังว่าต้องมีน่าจะมีแสดงว่าอีกไกลอาจจะมีวันปฏิบัติทำได้อ่มีใครกคล้ากำหนดไหมว่าต่อไปนี้ทุกวันพระจะหยุดหนึ่งวันเพื่อปฏิบททัติธรรมไม่ทำอะไร มันก็ไปอยู่วัดโดยทําบ้านให้เป็นวัดแทนก็ได้เดี๋ยวจะกลับมาบอกค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องบอกเราไม่ไม่ไม่ไม่ไดวังค้าให้ใครทําอะไรอันนี้พูดเป็นแนะแนวถ้าอยากจะไปทางธรรมมันก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมบ้างเลยค่ะพระอาจารย์ โอเคนะมีอะไรไหมอ่าไม่มีแล้ค่ะค่ะสาธุอเดินไปที่ใต้วันต่อใชคุณสวัสดีอาจ่าวนมัสการพรอาจารย์ค่ะอ่าวันไงมีอะไรไหมวันนี้ก็ก <laughs> ็ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ยังไ <laughs> ม่ก้าวหน้าเป็นนิดๆหน่อยๆ กาวหน้ายังไงยถึงจะก้าวหน้าไม่ไม่ <c oughs> คือเอหนูก็นั่งภาวนาแล้วก็ถึงจุดที่เหมือนลมหายใจจะหายไปค่ะพระอาจารย์แต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าพอมันนิ่งๆไปแล้วสักพักนึงก็จิตมันก็จะไปจับที่ลมหายใจที่ร่างกายอีกเป็นอย่างนี้ค่ะแบบว่าเหมือนเป็นสลับสลับกันนะคะอาการประมาณนี้ค่ะ ตลอดยังไงหมายถึงหมายถึงว่าบางทีก็ไม่ได้รู้สึกถึงลมหายใจมันนิ่งไปแล้วก็สภาวะมึนจิตก็ไปจับที่ร่างกายแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจกระตุกขึ้นมานิดๆ<ม>แล้วก็หายไปแล้วก็กระตุกขึ้นมาใหม่ประมาณมนี้ค่ะพระอาจารย์ก่อนยืนดูอยู่ที่จุดเดิมไม่ต้องย้ายที่หนูก็ไป<ม><ม>หนูบริกรรมพุโทโธค่ะแต่ว่าเหมือนติด บางทีพอลมหายใจหายไปแล้วบางทีก็รู้สึกเหมือนเอ่ออาจจะเอ๊ะหรือเปล่าจิตอาจจะสงสัยเอ๊ะขึ้นมาแล้วก็เลยไปจับที่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะพระอาจารย์ก็จะจําอยู่ที่ที่เดียวยเดียวพุทโธก็พุโทพโธไปอย่างเดียวก็ได้ค่ะเราก็บริกรรมไ ม, ไม่ต้องจําลมก็ได้อยู่กับคำบาริกรรมอย่างเดียวไปเลย อ่าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ยังยังไม่ได้ถึงขนาดว่าภาวนาแล้วสมาธิแบบแน่นไปแนบแนบจนแบบว่าเออ่ไม่มีความคิดเลยประมาณนี้ค่ะยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะก็อเอาอย่างเดียวเอาลมก็ ล, ม, ลมอย่างเดียวพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์ เดี๋ยวมันหลบไปห<ค>ลบมาเดี๋ยวหลบหาพุโทโธเดี๋ยวหลบไปหาลมคือคือหนูบริกรรมพุโทโธตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ดูมาสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องดูลมไม่ต้องสนใจเรื่องลมเลยค่ะค่ะอย่าให้พุโทโธหายพยายามเกาะติดกับพุโทพโธไว้เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์หนก็ คือหนูก็ใช้บริกา ร, รพุทโธตลอดเลยเจ้าค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าทําไมช่วงพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วบาญชีเหมือนมันไปจับที่ลมเองประมาณนี้ค <c oughs> ทิ้งพุทโธไปหาลมเอง ม, อมยังไม่ไม่ได้ทิ้งพุทโธคะ่ะยังบริการอยู่แต่เหมือนเหมือนมันไปจับที่ลมด้วยอะไรยังไม่จับ <c oughs> ก็อยู่พุทโธไปอย่างเดียว <c oughs> ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ค่ ะ, คะมันก็ดิ่นนี้แล้วไง แล้วงการจะจับให้มันนิ่งแต่มันก็ดีเราอย่าพุทโธค่ะใช่ค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพอาจารย์คือยามถ้าใช้พุโทโธก็พยายามกาะติดกับพุโทโธไปอ ย, อย่างเดียวค่ะพระอาจารย์จะลองทําดูค่ะอย่าปลยให้มันนีไปอารมณ์ไปอารมณ์ก็เดินกลับมาพุโทโธ ค่ะพระาอาจารย์หนูก็ไปกรรมคุโทษตลอดเลยเจ้าค่ะค่ะแต่อาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะยังไม่นิ่งพอหรือสติยังไม่พ อ, ห ร, อ, พอหรือเปล่ากับมันี้ไม่ได้ไม่สมนใจถ้าไม่อยู่กับุโทก็ใช้ได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่อยู่กับกคุณโทแสดงว่ า, า, าสติหมดกำลังนะจิตมันหนีไปเที่ยวได้นะหนีไปที่นั่นที่นี่ได้นะ ค่ะพระอาจารย์คือบังทีพอถึงจุดที่บางทีนั่งบริกรรมพอถึงจุดที่เออ่ไม่มีความคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่แต่ว่าจะอยู่จะอยู่ช่วงสภาวะ น, นั้นได้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวบางทีบางทีจิตมันก็เหมือนไปจับเอาทํานองเพลงที่ไหนก็ไม่รู้มานั่นนันอนีพุโทโธไปแล้วออไปหลบพุโทโธไปพุทโธหายไปแล้ว เพรละเต้นหนูก็มาบริกรรมพุโทโธ ต, ต่อค่ะบะอาจารย์พยายามนี้กาติดกับพุโทโธอย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่สนใจสนใจให้เป็นหนึ่งหนึ่งกับพุโทโธเค่ะบาอาจารย์ค่ะอลองทำต่อไปนะค่ะหนูก็ทําปฏิบัติเรื่อยๆค่ะบาอาจารย์บางทีตอนกลางวันหนูก็พยายามนั่งปฏิบัติค่ะแต่ บางครั้งรู้สึกเหมือนง่วงจะปฏิบัติกลางคืนได้ดีกว่าแต่ว่าก็พยายามปฏิบัติให้ได้เ<ม>ช้าเย็นค่ะมีค่ะกลางวันว่างก็กลางวันด้วยประมาณนี้ค่ะถ้าจะนั่งกางวันก็นั่งถอนเวลากินอาหารถ้าไม่นั่งตอนหลังกินอาหารมันก็ง่วงใช่ใช่ค่ะ<ม>แล้วแต่ว่าช่วงที่หนบริกรรมแล้วบริกรรมพู้โทษแล้ว ช่วงที่จิตนิ่งๆสักพักหนึ่งค่ะพระอาจารย์บางทีผ่อยผลอยหลับไปแล้วตื่นมารู้สึกว่าเหมือนเหมือนหลับสบายมากเลยนั่นะสเตมหมดต้องทำ ก, ก็เลยหลับอ่าแล้วมีสเตมมันก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆเปอนกาจิตเป็นเดดงลงสู่กันถูกมั้งมันตกหลุมตกบ่อมใช่ค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีลกค่ะพระอาจารย์แ ก, ก็ น้อมนำไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะอาจารย์พยายามพยายามสู้ๆค่ะโอเคดีสู้ไปถอยนะค่ะอาจารย์อ่าไปที่โรงพยาบาลง้่อคุ้งปโรงพยาบาลสงฆ์จำน้ำมาสักการอันนี้ทํามาที่โรงพยาบาลสงเลย เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าประเด็นคือหนูผ่าตัดกะโหลกเยอะก็เลยไม่ได้เป็นพยาบาลเต็มสติมหาพระอาจารย์ก็คือได้ทํางานตามที่พอไหวนะคะพระอาจารย์จต่ปัจจุบันทํางานได้เยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูไม่ค่อยได้ลาปล่วยแล้วค่ะเพราะว่าพอได้ของดีทางใจหนูไม่ค่อยได้ลาเลยพระอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนกับว่าลืมอุปกรณ์ในกะโหลกเลยนะคะพระอาจารย์ที่ใส่สายระบายน้ำอะค่ะ หนูก็เลยไปทําหน้าที่เป็นสะพานบุญอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไปสํารวจพระอาพาธรองเท้าขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนําของที่ประชาชนทําบุญมาไปถวายพระอาพาธต่อพระอาจารย์เพราะว่าประเด็นคือพระสงฆ์ไม่ร้องของนคะคะพระอาจารย์หนูก็เลยทําตรงนี้เลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เก็บแจ่มบุญเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ประเด็นคือหนูได้หนูได้ของดีทางใจจากพระอาจารย์ แล้วไม่ค่อยได้ลาเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันไม่ค่อยอะไรกับร่างกายจริงๆค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเอาจุดนี้เลยนะคะเก็บแต้มบุญเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้อู่ห น, หนูได้พระธรรมจากพระอาจารย์จนหนูแบบได้ของดีคือไม่ค่อยได้ลาป่วยเลยนะคะพระอาจารย์ทํางานได้แบบทุกวันไม่ไหวก็เข้าสมาธิอะไรอย่างเนี้ยค่ะเหมือนต้องฟังธรรมพระอาจารย์เหมือนเป็นอานหารใจอะค่ะพระอาจารย์ คือหนูทดสอบแบบดื่มแต่น้ําก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าต้องฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิประจําค่ะพระอาจารย์ต้องใช้อ่ะค่ะต้องให้อาหารทางใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ถึงมีแรงเยอะค่ะพระอาจารย์จนลืมจนเขามองว่าเหมือนเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ความเป<า>็นจริงคือถ้าหนูไปบริจาคเลือดเขาไม่ให้บริจาคแล้วค่ะแล้วก็ประกันชีวิตไม่กล้าเขาไกลค่ะพระอาจารย์แล้วก็ต้องถ่ายบัตรประชาชนใหม่อ่ะค่ะพระอาจารย์เลยแบบป๊อดหนู เป็นพยาบาลคือต้องสัมผัสความรู้สึกผู้ป่วยแล้วก็โอ้โหแบบนี้นี่เองเลยค่ะอาจารย์ตอนแรกนูนกว่าผ่ากระโหลกเราจะทําอะไรไม่ค่อยได้ด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันผ่าเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้อาหารใจแล้วโอ้โหไม่ต้องหลับไม่ค่อยได้ลาเลยค่ะอาจารย์หนูก็เลยแบบป้าหนูสัมผัสได้ทำมาโอสถของจริงค่ะอาจารย์ก็เลยลุยเลยค่ะพระอาจารย์ เากเก็บแต้มบุญอย่างเดียวค่ะผู้จารย์ดีมากทำต่โ อ, นะอ้ยการสาธุดเลยค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าไอ้ี่ก็ลูกษาต่อเมื่อกี้โลกคุยแล้วทีนี้แม่แม่คิวแม่ต่อนรื่อารการแถวผู้าจารย์ค่ะโยมโยมก็ไม่มีอะไรค่ะผู้จารย์มาฟังทำแล้วก็มาฟังแนวคิดที่พระอาจารย์สอนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะอจารก็มาใช้ค่ะ โอเคไม่มปอะไรนะไม่มีค่ะว่าจันยิงก็ไปที่คุณยินดีต่อยินดีเป็นยังไงวันพุธสามีสั่งการไว้หรเปล่าเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ เ, เดิมค่ะเช้ามาเขาก็บอกค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะบอลซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ให้อาจารย์อยู่กับลูกหลานเป็นนานๆาค่ะท่านอาจารย์ใช่ค่ได้รับใช้ลูกหลานไปได้เลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เขาลูกหลานดื้อค่ะยังยังไม่เข้าที่เข้าทางค่ะท่านอาจารย์ดังนั้นก็อยู่กันไปนานๆก่อนค่ะท่านอาจารย์เป็นล่มโพล้มใจให้ลูกหลานานานๆค่ะก้าวขั้นโอเคอยู่รับใช้ท่านรับใช้ไปนานๆใช่ค่ะลูกหลานยังยังยังยังไม่เข้าที่เข้าทางค่ะท่านอาจารย์โอเคขอบพระคุณท่านอาจารย์ระยางสูงค่ะออ่าคุณจุ๊บตาอันนี้ลูกสาวไปเลยแล้วเหรอ รัศการคะอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้หยุด Golden Week ค่ะวันพรุ่งนี้เริ่มไปโรงเรียนค่ะเออเป็นยังไง Golden WeekGolden Week ก็คือหยุดติดต่อกันวันหยุดที่ติดต่อกันห้าวันค่ะเกินห้าวันค่ะเพอะไรมันมันมีเป็นวันหยุดราชการของของญี่ปุ่นนะคะพะอาจารย์อย่างเช่นวันเด็กผู้ชายวันต้นไม้วันวันสีเฉียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันที่หยุดต่อกันห้าวันนี้มีวันอะไรบ้างอ่ะอม หนูก็หนูก็ไม่แน่ใจมันจะมีสวมวันมีมีหยุดวันที่สามี๋ยวหนูเปิดหาไม่เจอมันจะมีหยุดวันที่ห้านี่คือวันเด็กผู้ชายอะคะอ่ะแล้วหยุดวันที่สี่นี่ก็คือวันพอเพอิ่นพอเพื่นใน เพราะสาวหนูเนี่ยหนูเซตเป็นวันหยุดของไทยไว้แล้วค่ะพระจันแล้วันเด็กผู้หญิงนีหรอวันเด็กผู้ชายผู้หญิงก็สิค่ะเดือนจากวันที่สามค่ะถ้าจำไม่ผิดค่ะหยุดเดกันอะไรเลยถามว่าห้าเลยะอ๋อสามกว่าห้คือยังไงคะพระจันทร์อ่าเมื่อกี้บอกวันวันที่ห้าวันหยุดทั่ววันวันเด็กผู้ชายอ๋อวันเด็กวันหยุดเด็กผู้ชายก็คือเดือนนี้ค่ะถ้าเป็นวัน ผู้หญิงก็คือเดือนสามค่ะเดือนมีนาค่ะพระอาจารย์ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วค่ะหนูต้องไปดูในกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่ไม่ต้องไม่เป็นไรนะถ้าคิดว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรพอดีหนูไม่ค่อยได้สนใจอะไรพวกนี้เท่าไหร่ค่ะระอาจารย์วันเยอะห้าวันติดกันก็ตั้งเวกนีมค่ะก็ตั้งวกค่ะถ้าไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรกันอืมค่ะอืมอืม ก็วเป็นวันหยุดอย่างเดียวทุกคนหยุดหมดเลยบริษัทอะไรปิดหมดเลยเราจะหยุดกันค่ะพระอาจารย์ก็จะเนี่ยค่ะเป็นเป็นปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาเริ่มทํางานกันเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาเริ่มทํางานก็นตอนเดือนเดือนเมษาใช่ไหมคะแล้วแล้วพอทํางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอหยุดโกลเด้นวิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่เขาไม่อยากไปทํางานนะคะเขาก็จะแบบลาออกละออก ลาออกค่ะพระอาจารย์ติดดวันหยุดเหละติดวันหยุดก็แบบประมาณว่ามันไม่ใช่เชิงติดวันหยุดก็คือประมาณทํางานเครียดอ่ะค่ะอืมงานแล้วรู้สึกว่าองบริษัทไม่ใช่อะไรอย่างวอย่างี้คนเขาก็เลยถือโอกาสเนี้ยค่ะลาลาออกเองก็มีครับที่นั่นคนฆ่าตัวตายเยอะนะที่นี่คนมีปัญหาสุขภาพจิตเยอะค่ะพระอาจารย์อคือแม้แต่ลูกหนูก็ยังเป็นสุขภาพจิตคือ มันเหมือนถ้าอยู่ที่เนี่ยถ้าจะอยู่ให้ให้รอดอ่ะเราต้องแข็งแกร่งเราต้องเข้มแข็งอะคะ่ะ<ม>เพราะว่าเหมือน<ม>แบบคนที่นี่ถ้าเราอ่อนแอปุ๊บอะหนูมีความรู้สึกว่าเขาจะยิ่งจ้องรังแกรหรือแบบเหมือนเหมือนเขาเขาไม่มีเขาจะหาหาเป้าอ่ะค่ะหนูมีความรู้สึกอย่างเงี้นะคะอย่างตอน<ม>ที่หนูทํางาน<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเขาก็จะหาคนที่มันอ่อนแอที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมานั้นนะคะอ็แม่งรังแกเงี้ย ส่วนใหญ่เขาจะเขาจะรังแกแบบแนวแนวใช้จิตเชิงจิตวิทยาค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ประมาณว่าไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้าพวกหรือไม่ก็ทําตัวเหมือนเป็นแบบเป็นอากาศธาตุเหมือ hmm. นมองคนนี้เป็นอากาศธาตุพูดอะไรออกมาก็เหมือนไม่เห็นไม่เคยได้ยินไม่อะไรเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ mm hmm. จะเป็น okay. ไม่สนใจไม่สนใจซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยค่ะอื mm hmm. แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งสมัยนี้เขาก็แบบติดติดพวกโทรศัพท์ติด เกมติดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ม, มันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ค่ะพระอาจารย์หนูมีความรู้สึกว่ารุ่นคุณย่าคุณยายของทางญี่ปุ่นเนี่ยคุณย่าคุณยายที่แบบผ่านสงครามโลกอะ่ะเขาไม่ความเข้มแข็งทางจิตใจมากกว่าเด็กสมัย น, นี้อีกค่ะพระอาจารย์ออื ม, อมซึ่งบางทีเวลาที่แบบเรามีลูกแล้วเราอยู่กับผู้ใหญ่ที่อายุมากที่มันที่เขาแบบอยู่ในช่วงสงครามเนี้ย เวลาเด็กกับผู้ใหญ่คุยกันน่ะเราจะรู้เลยว่าเขาเขาจูนกันไม่ค่อยติดผู้ใหญ่เขาก็จะบอกให้อดทนซี่อะไรอย่างเงี้ยให้อดทนยิ่งวนี้ซี่แต่เด็กคือเขาก็จะแบบมันบอกไม่ถูออะค่ะเหมือนเรื่องแค่นี้เขาก็ทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมีจิตใจคนที่จิตใจอ่อนไหวมากๆเมื่ที่บ้านเขากับบ้านเราบ้านเราสบายไหวเยอะใช่ไหมจิตใจบ้านเราคนใจดีค่ะพระอาจารย์อหนูเมื่อก่อน เมื่อก่อนหนูก็เป็นคนไทยหนูหนูก็เป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่ญี่ปุ่นนานมากๆ ม, มันก็เลยติดนิสัยแบบติดความเคยชินที่ที่อยู่ในสังคมแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. พอเรากลับไปไทยทีหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนไทยใจดีจังเลยใจ mm hmm. ด, ดีเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลา mm hmm. ไปบาร์อะ่ะคนก็จะแบบพี่ๆอะหลายๆคนเขาก็จะมาทักมาทายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ mm hmm. ซึ่งถ้าอยู่ญี่ปุ่นตัวใครตัวมันทั้งนั้น mm hmm. เลย แม้แต่คนในที่ทํางานเราอ่ะอออเ่ก็เหมือนแค่ไปทํางานไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้ค่ะถ้ะอาจารย์ไม่มีความเมตตาต่อกันนลยค่ะไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้เลยเพราะว่าหนูเคยพยายามที่จะแบบนัดคนในที่ทํางานแบบอ๋อโอเคตอนทํางานคุยกันมันก็มันก็คลิกแต่พอไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกอะไรเนี้ยเรารู้เลยว่าสีหคนที่เราชวนมาที่เป็นผู้หญิงด้วยกันคือพอมานนั่งคุยกันจริงๆข้างนอกมันเข้ากันไม่ได้ค่ะ การที่จะมีเพื่อนที่ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีมีความมีความสนใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาถึงมีคลับไงคะมีแบบเหมือนกับว่ามีชมรมนู่นชมรมนี่ซึ่งเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่อ่ะถ้าสมมติอยากจะมีสังคมของตัวเองอ่ะจะต้องเข้าเข้าชมรมอะค่ะต้องมีชมรมนู่นชมรมนี่ที่แบบมีความสนใจด้วยกันเหมือนกันมันจะคุยกันได้ยาวค่ะอาจารย์อย่างมีเพื่อนกันก็เนี่ยค่ะไป เข้าครับไปคลาสว่ายน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงมีเพื่อนอืมแล้วมันก็คุยกันได้นานหรือไม่ก็ชมรมถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็จะชวนกันไปถ่ายภาพแล้วมันจะเหมือนกับว่าคุยแล้วต่อกันติดเลยค่ะพระอาจารย์อืสังคมที่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีเหมือนบองไทยที่ว่าทํางานในที่ที่เดียวกันแล้วเราจะสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปกินข้าวนอกรอบตกเย็นไปกินข้าวเย็นด้วยกันมันไม่มีค่ะละโอเคตัวมัน ก็ใครตัวมันค่ะขอเราเนี่ไปเช่อกันที่ไหนก็เป็นเพื่อนกันได้นะไปไวัดก็เป็นเพื่อนกันได้ไปร้านเสริมสวยก็เป็นเพื่อนกันได้ก็ก็เลยรู้สึกว่าคนไทยนี่ทำไมใจดีจังเลยอพอกลับไทยไปทีกลับมาญี่ปุ่นนี้ก็แบบก็รู้สึกว่าโอ้คไทมีพพุทธศ า, ศ, าศาสนาสอนให้มีความเมตตาต่อกั น, นใช่ไหมความเมตตาเนี่นะทำจุนโลก วันก่อนประเทศก็ไม่ต่างคำจุดเราแล้เนี่ยค่ะคนไทยคนต่างชาติจ<ช>ึงชอบมังไทยเพราะคนไทยใจดีใช่ใช่ค่ะคนไทยใจดีอืมหนูคิดว่าพระอาจารย์ก็คงเข้าใจดีเพราะเมื่อเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็ไปเรียนที่ ม, งมงองง่าวทำงานเขาตัวใครตัวมันกันจริงๆนะเ จ, จ้าคะ่ะก็เ<ม>ลยไม่เคยกลับไปนะั้าเรากลับมานี้ไม่เคยไปมืองมังง่าอีกต่อไปเลยหรือว่อาเราแสนจะวิเศษอืม โอเคมีอะไรไหมมีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์รอเข้ามาฟังอาจารย์จ่าสาธุดีค่ะอ่าลูกลูกตาหายไปหลายวันเหมือนกันเป็นไงสบายดีทั้งคู่หรือแม่ลูกอ่านมัสการมาสักการย์ค่ะพระอาจารย์สบายดีค่ะพระอาจารย์พอดีว่างานเยอะค่ะก็เลยไม่ได้เข้าค่ะแต่ฟังอยู่งานดูแลสัรอย่างเงี้ค่ะใช่ค่ะงานที่คลินิกด้วยอ่า เป็นยังไงเมตตาเหนื่อยไหยเหนื่อยมากเอาละอาจารย์เป็นการทําบุญที่เหนื่อยกว่าแบบโอนเงินไปช่วยเขาเฉยๆอ่ะต้องออกําลังกลายต้องค่ะมันต้องแบบแก้ปัญหาต้องแบบว่าสู้กับคนที่ไม่เมตตาอะไรแบบนี้ยมันก็มันก็ต้องใช้พลังแล้วมันก็เหนื่อยมากเลยค่ะอืมค่ะโดยใหญ่เป็น เป็นสัตว์จอนจัดแล้อว่าเป็นสัตว์ที่ก็มีเจ้าของเงามาให้เรารักษาถ้าที่คลินิกก็จะก็จะก็จะปนกันค่ะแต่ที่ที่เขาที่ช่วยอยู่ก็คือสัตว์จรทั้งหมดค่ะอืมถ้าเป็นพื้นที่ที่ช่วยอะ่ะค่ะก็จะเป็นพวกสัตว์จรจัดทั้งให้ให้ข้าวเขก็กนแล้วก็ถ้าตัวไหนไม่สบายก็รักษาเขาอย่างนี้อะค่ะอันไหนเกินกำลังก็ส่งโรงพยาบาลใหญ่อืม รักษาต่อค่ะเรื่องธรรมะเป็นยังไงยังปฏิบัติเยอะอ่ะปฏิบัติค่ะก็ช่วงที่เหนื่อยมากบางทีนั่งสมาธิก็ไม่ไม่ติดเลยค่ะพเจ้านั่งแล้วก็พานแบบมันฟุ้งซ่านแล้วมันก็หงุดหงิดนะคะ่ะมันเอาไม่อยู่ไม่มีสติควบคุมใช่ใช่ค่ะรู้ตัวเลยค่ะแต่ก็พยายามแบบก็ต้องนั่งหลับตาให้ได้ทุกวันค่ะพาจารย์ ถ้ามันฟุ้งซ่านก็ใช้การสวดมนต์ไปนั่งสวดมนต์ไปจะช่วยได้อคุณแม่ยังมาปฏิบัติธรรมันเท้าเยอะหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะ <ไป S 2> เพราะว่าค่ะช่วงเมษาไม่มได้ไปเพราะคนที่เขาที่ให้ช่วยเลี้ยงหมาจอในค่ายเขาไปบวชนะค่ ะ, ะแล้วหนูก็เลยไปเลี้ยงเองก็ก็คิดว่าให้เสร็จวันต่อวันไม่คิดถึงพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ให้เสร็จภายในวันนี้แค่วันนี้ ลงทานบารมีก่อนเอเมตตาบารมีก่อนนะมันอากาศมันร้อนมากอมันร้อนมากจะให้เคเคยแค่ให้ข้าวก็ต้องกระเตงน้ําไปด้วยค่ะอก๊าละมังไปตั้งตามจุดต่างๆแล้วก็เอาน้ําใส่อืเด็กที่เขาช่วยอยู่อะ่ะเขาวัยของเขายังแข็งแรงอยู่อ่ะค่ะเขาก็ทําทําได้ดีพอเขาล่าะขอย่ายไปบวชน่ะหนูก็เลยลงไปทำํทำทาแทน เราก็เหนื่อยหนแล้วก็เหนื่อยหนะสุดๆเลยค่ะเห่อยค่มันร้อนด้วยอพอไปอยู่หน้างานแล้วแล้วแบบปล่อยวางไม่ได้สักอย่างแบบว่าห่วงไปหมดค่ะพาจารร้อนพร้อมที่จะแบบอะไรนะเป็นเป็นเป็นอะไรนะที่ว่าโลกฮีโตกค่ะนั่นแหละต้องผลแบะไปเทหนูก็เลยบอกว่าก็คิดซะว่าเป็นการออกกําลังกายก็นแล้วกันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเดินตรงนี้เราก็อาจจะต้องไปเข้ายิมไปยกเวทก็ไป ถังน้ำแทนยกน้ำแชอะอย่างเงีเ้ยค่ะ<ด>ว่าก็ใช้กําหนดด้วยอะค่ะยิงย่งยิ่งเนาะกระสุนเดียวได้สองตัวได้ทั้งกายได้ทั้งใจอืใจก็ได้ความเมตตาร่างกายก็ได้ออกกําลังกายไปแล้วแล้วก็ภาวนาไปด้วยะค่ะแล้วคิดว่ายัางไงชาตินี้ก็ต้อเอาตัวให้รอดให้ได้อืม ไม่ต้องมาทำซ้ำๆแบบเนื่อยจนแบบว่าแต่มันก็ดีอย่างมันจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปเลไม่ไม่กล้าคิดจะทำบาปเลยถ้าเรามีความเมตตาเนี่ยเรื่องทำบาปด้ยากแล้วมันก็เหมือนคัดคนด้วยค่ะพระอาจารย์คนที่ไม่ไม่ได้มาทำแบบเรามันก็จะถูกคัดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะอืมคนที่เห็นก่ตัวก็ไปไปเข้าไปเลยนะะเาก็จะไม่ยุ่งกับเราเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราค่ะ ต้ก็มีแต่คนที่เสียสละถ้าถึงจะยินดีมาช่วยมาร่วมด้วยแล้วก็แบบก็เริ่มแบบไม่อยากอธิบายอะไรให้ใครฟังว่าทำไมต้องเพราะว่าพูดไปเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ถ้าก็ไม่ทําก็ไม่จะไม่เกิดความรู้สึกความสุขใจของขึ้นมาถึงไม่จะเหนื่อยยังไงก็ใจก็ยังมีความสุขอยู่นะมีมีค่ะแล้วระหว่างระหว่างขับรถไปก็อืได้ นะแล้วแั่นฟดได้อะค่ะอเหมือนฟังของพระอาจารย์ไปด้วยของกเก่าๆที่พระอาจารย์สอนไว้บนธรรมะบนเขาอ่ะค่ะที่ได้แจกจากหน้ากุฏิมาอืมก็ไม่ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ยังอยู่กับพระอาจารย์ตลอดแล้วก็ตอนอยู่บ้านนี่ก็บ่ายบ่ายสองก็ฟังฟังอยู่นะไปในรถฟังค่ะโอเคก็จะมีธรรมะฟังไปเรื่อยๆจะได้ไม่ลืม ก็เหมือนว่าเหมือนว่ายังห่างครูบาอาจารย์ไม่ได้ค่ะอืมก็เหมือนคนไข้ยังต้องต้องอยู่ใกล้หมอไปก่อนถ้าหายแล้วก็ทิ้งทิ้งหมอได้ต้องเรียนเลคเชอร์เรียนเลคเชอร์วันค่ะตอนนี้ตอนนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางทหารเขาก็มีบ้านรับรองอยู่บนเขานะคะผู้ใหญ่ไหนนะผู้ใหญ่ทางทางค่ายทหารนะคะอ๋อเขามีบ้านพักรับรองอยู่บนเขาเขาก็อนุญาตนะคะว่าถ้าอยากจะลองไปนั่งสมาธิบนนั้นก็ได้ เงียบดีนะหนูน่ากลัวมากเขาเพราะเราเล่าเลยว่าผ <th ername> ีดุอะค่ะคือว่าแม่ไปทดสอบดูว่าไปทำทดสอบดูว่ากลัตายหรือเปล่ากลัวผีหรือเปล่าเขาบกว่าเขาเล่าเลยกับว่าผีดุเพราะว่ามันมีเรดาร์ของทหารเรืออยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เรือหลังนี้ด้วยแล้วหนูก็ขึ้นไปดูละเรือมันถูกทิ้งล้างหน้าเสรีได้ย่ะค่ะแต่ก็ยังกําลังเอ่อกำลังช่างใจอยู่ว่าเราจะไป เราเราจะไปสู้กับผีในใจตัวเองหรือเปล่าคะใจผีจริงไม่หรอกผีเราไม่จริงค่ะพราะหนูีผีใจเราเนี่ยไปเราเราเองจัางวันมันน่าอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ตอนกลางคืนถ้าเป็นหนูคงไม่ไม่ไหวแน่นันใจไม่เข้มแข็งกว่ายังไม่มีสติที่จะสู้กับความกลัวมันเป็นพื้นที่ภูเขาสูงเลยอะค่ะลหันหน้าหันหน้าเอางนั้นต้องไม่ต้องไปลองดูเลยคุณแม่จะได้รู้ว่า ผ่านหรือไม่ผ่านหนูว่าหนูหนูว่าจะดอกแล้วผูว้ใหญ่ทางนี้นเขาก็สนับสนุนนะคะเขาบอกพี่ ee, มาลองดูเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาคนเอาน้ํามาเติมไปให้ใช้เลยไม่มีน้ําประประาค่ะอืจะมีถังน้ําเก็บเขาก็จะให้ให้คนเ อ, นะอนะาน้ำภาวนาต้องถ้าเป็นนะันกภาวนานักปฏิบัติที่ต้องดีต้องดีใจแล้วต้องชอบแล้วอย่างนี้หนูต้องไปลองนะค่ะไปนองให้มนดูแล้วดูลกันรอดไป ปฏิบัติมาตั้งนานแต่เนี่ยเราเร า, เรามาทําข้อสอบหรือว่าก็ลูกตาไปบอกกับเกษตรท่านว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้คุณแม่มาพิสูจน์แล้วได้คาตอบว่ามันมีจริงจริอย่างที่เขาพูดไหมเขาเล่าหรือว<ม>่าผิดเดี๋ยวให้คุณแม่มา ม, <อ>มันเป็นเมืองมันเป็นเมืองเก่าค่ะเป็นเป็นสถานต<ม>ั้งของเจดีย์เก่าในอดีตที่ว่าเป็นเมืองเมืองของสีพะโลอะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นวัดแั้วมีอะไรหรอกมันแน่ มันก็ไป็แค่ดินน้ำลงไฟนะเขาก็ล่ำลือจนว่าแบบเป็นเมืองลับแล้วนี่คนกลัวกันไปอยู่ที่ไหนเงี้ยเปคนเดียวมันก็กลัวกันแล้ะแต่หนูว่ามองแล้วมันก็น่าจะมืดอพอๆพอกับบนเขาอะค่ ะ, บ น, นะบนเขาที่เขาชี่โอนนะคะแต่โอเค ลองดูถึงนี้ไม่เราไม่รู้เราถ้าลองดูเพราะว่าหนูว่าเพราะมันเหมือนจิตมันตอนนี้ค่ะถึงถึงพอเราจะทิ้งไปไปยุ่งกับทางโลกนะั้นมันก็จะดึงกลับมาค่ะพระอาจารย์มันมันจะดึงมาฟังธรรมมานั่งสมาธิอะไรเนี้ยมันมันจะเป็นอันตโนมัติยัไม่ปล่อยพยายามยืดติดไว้ <ừ. S 1> นะทางของพระพุทธเจ้าไปทางสู่การหนุนพ้นจาความทุกข์ อันนี้ก็พร่อจานสองรูปก็มรณะพาไปสองลูกแล้วนะคะอ่าก็ไปไปตามอันนี้จังทุกขงังมรณะตาอย่างไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวอันนี้มีโอกาสใช้ประโยชน์ได้ก็เลยใช้เสียที่ชุมบุรีรูปหนึ่งก็เป็นที่เห็นนี่ก็เอาอาวุโสสามรูปแล้วกันอืมไม่เป็นไรแล้วก็มีภาพใหม่ๆโพลขึ้นมาเยอะเลย <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะอาจารย์โอเคไปเจอกันใหม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแนนตอนคุณแนนนี่ไม่มีคําถามไม่มีคําตอบยี้มอย่างเดียววังคราสราราการค่ะอาจารย์สหรับลูกบรรพูดคือบรรพามาห้าปีเราจะพักดีหยุดทางานนะลูกไม่ได้ทํางานมานานแล้วค่ะจริงจค่ะ เป็นแ่วคะ่ะแต่ว่าคือถ้าวันพุธเพื่อนชวนหรือใครชวนก็ลูกจะปฏิเสธทันทีเลยคะ่ะ <Okay. S 2> ได้เข้ามาพบอาจารย์คือผมบัติอันล้ำค่าของลูกเข้ามาลยธ <Yeah, S 2> ิ์จะค่ะกราบขอบคุณความเมตตาของอาจารย์มากนะเจ้าค่ะเอีายวคุณกันชิดไต้วันยังอยู่ที่ไต้หวันเยอะลองกลับนมัสการครับ พรอาจารย์อยู่อยู่ที่ไต้หวันอยู่ครับเ๋วนี้ไม่ได้อยู่ที่หอพระแล้วมาอยู่ที่บ้านเพื่อนนะมาอยู่ที่บ้านหัวหน้าครับผมว่ามันได้ปฏิบัติธรรมดีมันแยบดีครับอืมเวลาวันครับมามาถึงอันนี้นพูดให้พระอาจารย์ฟังครับมาถึงคืนแรกมานอนอยู่นี่มันมันเหมือนกับที่ผมเคยปฏิบัติ ทำไม่รู้เต่ชาติไหนนะครับแล้วก็มีหลวงตาบัวมามาหาผมแล้วท่านก็บอกว่าให้ปฏิบัติธรรมอยู่นี่แล้วก็โยนรองเท้าให้ผมข้างหนึ่งครับเพราะว่าในในกระเป๋าเงินของผมผมเคยไปองานหลวงตามหาบัวตอนท่านท่านอ่าเผาครับท่านอันนี้นะครับงานศพท่าน ครับงานที่ราชเพริงศพท่านนะครับผมได้ไม้ไม้ฟืนท่านที่ที่อยู่ในนี้ท่านผมได้มาอันนึงครับผมเลยม า, มมาใส่กระเป๋าไว้แต่ถ้ า, ถ, าถึงตอนที่จะตกทุกข์ได้ยากถึงจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนจะมีคนมาช่วยผมตลอดนะครับอาจารย์มผมทำบุญเยอะทําบุญมาเยอะอ๋อไม่หรอกครับ ผมคิดว่าผมอยากได้ห้องห้องหนึ่งที่อยากปฏิบัติธรรมเพราะว่าผมก็ปฏิบัติมาก็เจ็ดแปดปีแล้วเห็นพระอาจารย์บอกว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่ผมในปีที่แปดแล้วแต่ผมยังยังไม่ได้สมาธิแบบแบบพระอาจารย์พูดเลยครับแต่ว่าได้แต่นั่งแบบเป็นชั่วโมง่องชั่วโมงแบบนิ่งนิ่งแบบว่างเปล่าครับพระอาจารย์ mm hmm. ผมก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าผมปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าครับเพราะว่าผมปฏิบัติมาเวลานั่งไปอย่างเงี้ยมันก็จะใจมันยังไม่ไม่มีสติดตอเนื่ยมันก็เลยยังเข้าไ ม, ไม่ถึงจุดนั้นนั่งสามสรบ น, นาทีนี่เหมือนกันาทีเดียวครับพอาจรย์นั่งสามสิบนาทีนี่เหมือนกับนาทีเดียวครับพระอาจารย์อืมสิบนัทีนี่เหมือนกับาทีเครั ไม่ไม่หลับครับ <así S 1> <c oughs> เพราะยืนแบบพุทนะพุทโอพุทโอทีเดียวนี้แสดงวันหลับมากกว่านะค <c oughs> รับาอาจารย์ผมก็เลยเออมาเวลาวันพระอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์สิบสิบห้าค่ำที่ผ่านมาวันพระเวลาผมว่าผมนึกในใจว่าตีสี่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิพอถึงตีสี่ก็ก็มีคนมาเรียกให้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิกับอาจารย์อืม ผมก็ปฏิบัติว่าถีวา่วาเราตั้งนายรขาตั้งนารกาปลูกได้เนี่ยมันก็จะปลูกเราเองอครับพระอาจารย์เวลาจะไปไหนมั้งถ้าเป็นวันพระอาจารย์นี้เก็จะให้ปฏิบัติทำก็จะนั่งสมาธิเอาเองครับพระอาจารย์เหมือนเหมือนที่ท่านผู้หญิงท่านพูดก่อนนะมั น, ม, นมันจะเป็นแบบดึงมาครับพระอาจารย์ศีนจะดึงมาครับพระอาจารย์อืมอืมดีพยายามทำไปเรื่อย ครับอ<ห>าจารให้มีสติดีดีมากๆครับเพราะว่าจะสติไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เวลาอย่างเดียวา<อ>นานๆแต่แต่สติไม่ดีมันก็ไม่ลงอ๋อครับอาจารย์เพราะว่าทํางานทํางานก็ทํางานถ้าทํางานยุ่งๆงานอะไรก็จะอุดพุธโธขึ้นมาเองเลยครับถ้างานแบบว่าจะจะว่าจะแบบไล่ๆหน่อยก็จะเป็นพุธโธพุธโธขึ้นมาเลยครับ คนยังมีพุทโธเป็นทั้งวันเลยครับอย่าไปร้องโง่โถึ้นมาอ๋อครับไม่จะคิดใยที่ไม่จยาป็นจะต้องใช้ก็ใช้พุทโธพุทโธดีกว่าครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวต่อไปม่นก็จะรวมได้ครับพอาจารย์น้อมกับพอาจารย์ครับเข้ามาเติมเข้ามาเติมพลังครับอาจารย์เอสอาตุลสัมารนลิสก็รับอร ในการนันแหละที่ว่ากลับน้ำมัสการเจ้าค่ะผู้อาจารย์ก็ลูกก็ได้เขียนตารางเอาไว้ได้ครับอาจารย์ว่าในการปฏิบัติทำแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ครบวงจรที่ทําเจ้าค่ะผู้อาจารย์ก็เหมือนกับที่สนน้องเมื่อกี้แหละว่าสติเราไม่เข้มแข็งพอเจ้าค่ะ เมื่อสติมันไม่เข้มแข็งพอมันก็แบบแบบคลุกคลักทุลักทุเลพอสมควร น, นะอาจารย์แต่ได้แต่พยายามเจ้าค่ะต้องพยายามฝึกสติใหม่ๆเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็เข้าสมาธิไม่ได้ค่ะแต่มีคุณอาอุษาก็ได้ได้ได้คุยได้คุยกันว่า ถ้ามีปัญหาอย่างนี้เราจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเด็กในคุณอังก็จะขึ้นไปขนเขาชีโอนบ่อยอยู่แล้วก็ได้ข้อคิดได้ชี้แนะได้คำค๊ได้ี้แนะเพิ่มเติมมาให้ในยามที่ว่าเราขาดสติหรือว่าฟุ้งซ่านไปก็ได้มามต้องทำแบบนี้นะเช่นแบบ ล่าสินแปดยอมรับนะครับพ่อจารย์ตอนนี้พอพอแล้วก็ล่าสินแปดไปก็แบบว่าแต่บางทีคุณพ่อบางทีก็ต้องชิมเกงก็ไม่กินแล้กินไปเลยก็เอ อ, เ อ, อคุณอาเขาบอกว่าเออพ่ออยากก็ชิมก็ทิ้งเสียก้นทิ้งเสียก็อยากกลืนเข้าไปถ้ากลืนเข้าไปก็เหมือนกันกับการกินครับพ่อจารย์ แต่นั่นก็คือต้องดูแลพ่อในจุดนี้บางทีก็ต้องเชิมว่าต้องชิมว่าหวานไม่คิมไม่เปรี้ยวเกินไปไหมอะไรหรืออาจารยรู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรในกับกับข้าวของคุณพ่อค่ะอะน้นในคือตอนนี้ก็คือแบบมันก็พลาดไปในจุดนี้ใน ม, มากพอสมควรพอรัดเลยไปแล้วแล้วอาจารย์พอรัดเลยในจุดนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าไอตัวกิเลสอ่ะมัน มันดึงมันดึงไปดึงดึงไปจริงๆริงเล่ะอาจารย์ที่เราจะมาทวนกระแสให้ให้กลับเข้ามาบางครั้งมันยากมากก็เลยก็บอกว่าเอออย่างน้อยก็มาตั้งตารางตารางที่ว่าเราจะได้ไหมได้ไหมทำได้ไหมในแต่ละวันอย่างน้อย สักชั่วโงสองชั่วโมงในแต่ละวันเอาเอาวันแต่แต่ละวันนั้นมานั่งสมาธิมาฝึกสติของเราจะไปพุ่งสร้างในมันบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีต้องทําต้องมีเวลาโอเคนะมีอะไรไหม <c oughs> ไม่มีคำถาม <c oughs> เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้แต่มาบอกว่าก็พยายามอยู่เพราะว่าหลักทำคำําสอน เราได้เรียนรู้มาทาั้งหมดผ้าจารย์ก็ได้ชี้แนะได้แต่ตอนนี้ก็คือให้เร่งปฏิบัติให้เหมือนกับผ้าจารย์ว่าตอนนี่ผ้าจารย์อยู่ก็ให้เร่งปฏิบัติให้ได้ไม่ใช่ว่าพอถึงตอนนั้นอืมเรามานั่งเสียใจว่าเออทําไมเราไม่ปฏิบั ต, ติเจ้าค่ะผ้าจานดีสาธุต่อไปคุณแม่ชี้พุ่มคุณแม่พุ่มได้ยินไหม อพูดได้เลยไม่ชีตุ่มค่ ะ, ะตุ่มอ่ะค่ะไม่ทิ้บไม่ขาดว่าไม่ใช่ไะไม่ไมค่ะที่วันเออธอิกรสองที่แล้วได้ไปกล่าวพระเจ้าเอกในพังธรรมที่คุณแล้วก็ได้มีโอกาสได้กล่าวพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องสึกนะคะเจ้าค่ะอืมก็บอกว่าอย่าพยายามออกจากวัดเด็ดค่ะ เพราะว่าไม่ชี่ว่าแสงทาํามวังเก่าเขียวของอาจารย์ตัวพระสมณนงในองค์หลวงต า, า, าบัวเนี่ยเจ้าค่ะก็วันนี้มีโอกาสก็คือตั้งใจที่จะเข้ามาหาหรือพอรัปากกับพระอาจารย์เลยได้ว่าจะไม่สึกแล้วก็ทางครอบครัวก็ยินดีที่จะไม่สึกก็เขาปะนุโมทนาบุญให้ในการปฏิบัติเนี่ยพระอาจารย์ ในเรื่องของสวัสดิ์พอสวัสดิ์สวามวิธรรมเนียเพราะว่าตอนนี้มันจะเข้าภาษาที่สองพอจะเข้าเปนคือมันก็จะมีกิเลสนี้อะไรเยอะแยะเออก็ก็ก็ผ่านไปได้ดีเนี่ยก็อาจารย์ก็พยายามที่จะเข้าสมาธิตอนนี้เลยจับตัวตัวเองได้ว่าทุกเนี่ยตอนยี้มันทุกข์ที่สุดเลยแต่มันไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดจากครอบครัวแต่มันทุกข์ที่เกิดจากร่างกายก็ เอาตัวร่างกายเนี่ยเพราะว่ามีมีมีโรคมาจากตรงัวคือหน้ากระตุกขึ้นซีกและตออเนี่ยมันลามไปที่บริเวณหนะ้าอกคือปยประสาทเสือ่อมที่ลงไปรอบที่แล้วเนี่ยก็ไป m อ็แล้วก็สแกนสมองก็ไม่เจอแต่มันไปเจอเส้นเลือดป่งพองทงคองนี้หนึ่งซึ่งหมอนัทคอนเัล์วันจันทร์ว่าเอา่อจะเป็นยังไงก็จะหาลืงหมอว่า เออมันจะมีผลกระทบกรอกต่อการใช้ชีวิตของไม่ชีไหมเพราะว่าข้อวัดที่นี่ก็เหมือนกับป้ายตาก็คือสี่ทุ่มตื่นตีสามเออไม่ชีก็จะมีเวลาภาวนาตอนเช้าซึ่งสามารถเข้าได้เลยเนี่ยก็คือตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งอันนี้เนี่ยก็คือสมาธิลงเลยแล้วก็มันโปร่งมันไปได้เลยนะคะ เอแต่ก็จะใช้ยอจะให้เป็นความสงบไปอย่างเดียวพระตอนที่สองเนี่ยอก็คือในตอนพิจารณาอาหารนะพระอาจารย์ของวันเราเนื่องจากพระเยอะอะก็จะเป็นชั่วโมงเ่ยพระอาจารย์เวลาเล่นถ่ายเนี่ยเพราะสมาธิมันพอมา น, นั่งแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันมีปัญหาว่าพอนั่งลงปุ๊บหลับตาเนี่ยมันจะเข้าสมาธิแล้วมันก็ลหลงลึก ถ้าพระอาจารย์โสภาท่านไม่กแก่แฮมเนี่ยก็จะไม่รู้เลยเพราะเราต้องตัดท่านแล้วเขาจะไปพิจารกก็คือวันนั้นก็ต้องไม่ได้พิจารณาอาหารอันนี้ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งว่าลงลึกเกินไปก็เลยลองฝึกว่าเออลองลองลองลอ ง, ลองลืมตาเพื่อที่จะให้เห็นและจะให้ได้พิจารณาอาหารในวันนั้นเพราะไม่ได้ใช้วิธีต่ออาหารนลเจ้าค่ะ เ อ, อ่อแล้วก็อันที่สามก็คุณจะต้องทําข้อวัดเยอะเ อ, อ่อทํำข้อวัดนี่ก็คือมีเวนตั้งแต่ถูแล้วก็เวหล้างจานเวนเข้าเจดีเวนข้อวัดใบ่สามแล้วก็ก็คือเนี่ยแต่ก็จะมีเวลาว่างเ อ, อ่ออย่างวันนี้เนี่ยก็ด้วยความความทุกถึทางด้านร้างกายอะ่ะก็ได้อธิฐานกับหลวงตา ม, มหาบัวว่าเออถ้ามันไปได้ก็คือไปได้ แล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยได้เอ่อก็ก็หนูนี่ไม่ชีได้ทำได้ก็เลยเข้าสมาธิตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มเนี่ยค่ะแล้วก็ออกมาคบพระอาจารย์ต่คราวนี้เนี่ยพระอาจารย์มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจก็คือหนึ่งเดือนที่ไม่คือหมอเนี่ยจ็บนักตลอดคือมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเอ่อเส้นประสาทแล้วก็สมอง แล้วก็ที่ที่โคราชเนี่ยเหมอเฉพาะทางก็งไม่เก่งต้องไปรักษาที่กรุงเทพก็เลยมีความรู้สึกว่ากินใจหวัดกิงใจวัดว่าแล้วต้องออกไปจากการปล่อยแต่ตอนนี้ก็คืออย่างอย่างวันจันท ร, ร์ที่จะไปเนี่ยก็จะไปวันอาทิตย์กลับวัจันท ร, ร์แล้วมันเป็นวันที่ขอนแ้าซึ่งเราจะรู้แล้วว่าเออเว้ยมันก็คือการตัดตสินใจว่าจะไปต่อหรือจะไปทางไหนดีแต่ไม่ชีเนี่ย ไม่หยากศึกไม่ไม่ไ ม, ไมีไม่ต้องการนะ่ะที่จะศึกแต่จะทํายังไงที่จะอยู่ด้วยกันกับโครคไข้ไข้ฉีดได้แต่ทา่านท่างนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนภาระกับไม่ชีท่านอื่นเพราะว่าเอ่อวัของเราเนี่ยก็มีก็สื้อเหมือนกับมีคนปว่วยทุกคนก็จะปว่ยปวยอย่างนั้นป่วยอย่านี่ยะเจ้าค่ะก็เลยมาเรียนอา่ากลับเรียนพระอาจารย์ว่าในกรณีนี้เนี่ยอควรจะทํำยังไง แต่ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยแม่แม่ชีจะไม่มีปัญหาที่ที่เกิดจากร่างกายทงกลางที่เส้นประสาทมันบิีกันที่นาเพราะว่าเออ่สามารถที่พอเข้าสมาธิแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยผมทบอยู่ัเขาได้พออยู่ขเขาได้มันก็ไปได้เลยอาจารย์ก็ตัวแม่ชีแม่ชีก็ต้องตัดสินใจว่ามันเกี่ยวหรือไม อาจจะบไม่ว่าแม่ชีจะมีสึกแล้วแม่ชีเขาตั้งใจที่จะมีสึกนะเจ้าค่ะอ๋อแล้<พ>ก็เพียงแต่แนะนําไปถ้าแม่ชีจะสึกไม่สึกมันก็เรื่องของแม่ชีนะเจ้าค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราเพียงแต่ว่าเราพูดตามหลักธรรมวมันเป็นอย่างนี้การสึกได้ก็ดี<พ> <c oughs> แต่แ<พ>ม่ชีจะทําะไยแม่ชีต้องตัดสินใจเอาเองเจ้าค่ะแม่ชีเขาจะปล <c oughs> <พ>ี่ยอบก่อนแต่ก็ยังยัายังถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติ ปฏิบัติต่อต่อไปไปจายแต่สภาวะทำไปได้แต่มันก็มีส่วนดีคือพออยู่ในสังคมของของมิจีเนี่ยมันก็ยังยังมีความเป็นทางโลกอยู่มันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เจอเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่เข้ามากลับเปลี่ยนถามนะเจ้าค่ะแล้ววันนี้เนี่ยที่หลวงปู่สองด้านเสียคระมีของก็คือมองว่าคือเป็นเรื่อง ธรรมชาติที่การเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่จะใช้บทสตดการเกิดเจ็บเจบตายฉลาทิธรํมโอหิทั้งวันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ก็ได้มีโอกาสได้ได้ดูได้ได้เผาศพแบบกรรมฐานนะคะซึ่ง อ, อาจารย์นี่ก็ให้ดูให้พิจารณาทางสุภาก็ดีนะคะใช่ดีอดีบไปนะจาความทุกข์ใจ จะค่ะปล่อยวางหน้าใจก็โชคดีว่าถอดเทปชุดเตรียมความพร้อมตักใจแล้วก็ฟังเทปของว่าอาจารย์เยาว์วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปล่อยวางซึ่งกำลังมีความรู้สึกว่าเออมันต้องปล่อยวางให้ได้ไม่งั้นมันก็ไม่ยอดก็พอดีได้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของแล้วก็ดีเทปเมื่อเจอพระอะไรี้ยสองท่านนึ่งพระสุตติปันซึ่งเป็นผู้เพื่อนยึดเหนียว อขอให้พระอาจารย์มิได้ทานที่ยืนนานแต่ก็เป็นไปตามวาะรานะเจ้าค่ะพระอ า, าจารย์รให้ผ่อนเมื่อสี่ครั้งหนึ่งคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าค่ะไม่เมื่อสีขอผ่อนคะ่ะก็เนี่นแหละตอนประสบกับกาสอนพระพุทธเจ้าปาิาาบัตดีปฏิบัติชอบนะเจ้าค่ะ <c oughs> ไม่ซีขอนยกกลับเราอาจาจะก็จเข้าสมาธิลองนั่งสมาธิต่อจ้าอาจารย์อาถุสไที่ก็นมาดูน้องเลิม่ไหมาครับกลับมาราชการทับหลวงพ่อครับเชิญมีอะไรไหมวันนี้ครับวันนี้มารายงานงหลวงพ่อตัปดานี้ก็นั่งสมาธิเริ่มนั่ง เป็นชั่วโมงแลครับหลวงพ่อจะนั่งให้ได้มากที่สุดก็คือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เป็นอาจจะเป็นช่วงช่งชั่วโมงหนึ่งกับครึ่งชั่วโมงครับหลวงพอ่ออก็โทได้ต่อเนื่องมากขึ้นมากๆครับหลวงพอ่อแล้วก็ ม, ม, มีมีความสุขมีความสงบครับมาในงานหลวงพ่อครับอนี่นะความสุขความสงบจะเป็นพลังของใจที่จะประชายนับความทุกข์ต่างๆได้ครับ ให้พยายามสร้างความสุขสร้างความพลังหัวใจไว้ให้มัง่งมับงแล้วเจอความทุกข์ไปใช้ปัญญาดับมันได้ <c oughs> ใช้ตายรากดัน บ, บมันได้ทุกอย่างเป็นตายรากหมดอันนั้นตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้โอเคไม่มีไม่มีอะไรจะถามวันนี้ครับน้อมนํา จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ยุเหลือแค่แค่ปฏิบัติเพิ่มแล้วก็ความเปลี่ยนที่เพิ่มกับพอาจารย์ครับครับกลั <c oughs> บมาสักครั้งอาจารย์ขอบพระอาจารย์ท่าเสียงแข็งแรงครับวันนี้แต่วันนี้ลำนักสการ์อาจารย์ค่ะอืค่ะอ่ามีเรื่องอยากจะถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์บางที พอเวลาเราไปเหมือนเหมือนเราเจริญสติไปใช่ไหมครับะอาจารย์ในระหว่างวันบางทีเป็นซึมซึมอะค่ะพระอาจารย์ทําไมเป็นแบบนี้คะก็มันก็บางทีก็ขี้เกียจจิตบางทีมันก็ไม่เบิกบานสดชื่นมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็เบิกบานบางทีก็ซึมเศร้าอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะไม่มีสติลองบริกรรมพุทโธพุทโธถึงมันก็จะหนึ่งกลับมาได้ <c oughs> พอพอปริกรรมบริการไปเหมือ น, ปนอไปคุยอ่าไปคุยกับพี่น้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็คุยคุยปกตินะคะแต่พอเวลาเราออกมาจากวงเรามานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เฉยเฉยแล้วเป็นเหมือนอทําไมทําไมเราเป็นเหมือนแบบงงงงแบบเฉยเฉยแล้วก็บางทีคิดแต่ไอ้ก็พูดโทพูดโทพูดโทถูกบ้านหรืออะไรอย่างนี้ไปอ ะ, ค, ะค่ะไพศาลหนูก็เลยว่า <c oughs> อ้าวบางทีเป็นแบบ ไม่เหนื่อยซึ่งไม่ได้อยากคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าอ๋อหรือว่าไม่มีไม่มีสติอืมก็ตวนางก็ม่ก็มีน้องใช้สติปลุกจิตขึ้นมาค่ะพอคิดได้ก็อ่ะพุทโธพุทโธธรมโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับพระอาจารย์ก็คือไปดูตรงนี้อ่าสวนไปก็ได้สวนบทไดก็ได้ค่ะได้ปลุกจิขึ้นมาค่ะ ว่าหนูรู้สึกว่าอ๋ออาจจะไม่มีสติหรือว่าเราไปไอ้นี่มากหรือว่าไม่ไปกับกับคนมากไปคุยหรืออะไรอย่างนี้มากหรือเปล่าแล้วก็เลยแบบบางทีก็มานั่งเออหรือแล้วก็เอาพูดโทรพูดโทรไปแล้วก็มองมองมอ ง, มองไปเหมือนเราซึมซึมอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยรู้สึกว่าไม่มีสติหรือว่าฟุ้งซ่านเหมือนที่คิดคิดไปอะคะ่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยก็คิดถูกใช่ไหมคพระอาจารย์ใช่ ถ้าฟุ้งร้านมันจะเป็นอีกแบบฟุ้งร้านมันก็จะคิดมากถ้ามันไม่คิดอ็มันก็แบบว่าเป็นเหมือนกับค่ะค่ะแต่้าอย่างนี้ก็คือว่าเราก็อ่าเจิญสติไปเรืนนเร่ยอยๆเลยใช่ไหมครับพ่อาจารย์ใชให้พุโทโธก็ได้ใช้ส่วนบนทอะไรก็ได้ให้มันตื่นขึ้นมา ค่ะเหมือนเรานั่งนั่งสภาิตสมาธิไปอ่อพอเราเหมือนแบบเท่านออกมาเรารู้สึกเหนื่อยหนูก็ยังพูดทูลพูดทูแล้วก็มาพิจารณาเหมือนส่วนมากจะพิจารณาสังขารนะคะรับอาจารย์ว่าอ๋อเพื่อจะเอาขาออกมาได้เพื่อจะอะไรอันนี้มาได้มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราก็ยิ่งจะนั่งไม่ได้อันนี้ คือยังคิดถูกอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วถ้าคิดเพื่อให้เราได้ปฏิบัติก็ถูกครับค่ะค่ะแล้วเราก็อยาให้เราอยู่เฉยๆมีเวลาว่างใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติให้มากที่สุดค่ะค่ะค่ะเพราะเวลาไม่คอยใครมันเหมือนมันมันไหลไปเรื่อยๆมันหมดไปเรื่อยๆค่ะแต่พอเวลาเราพูด กับพี่น้องหรือว่าแม่เขาก็จะมองหน้าเราเวลาเราใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อารมณ์หายใจจะขาดไปเมื่อไหร่เขาก็มองลูกว่าหนูออมองหน้นเาเาแล้วเราอยา่าไปพูดกับเขาเ <c oughs> ขาไม่ <c oughs> เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราบ้าจี <c> ่ง <oughs> <c oughs> <c oughs> เขาก็มองหน้า <c oughs> เขาก็มอง <c oughs> เขาก็มองหน้าหนูก็อ๋อโอเคไม่ไม่พูดนอกจากว่าเออพอ เ, เวลาเขาถามก็ พูดนีดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้เชื่อมากนะคะพระอาจารย์ตั้งแต่เขาเห็นหลงไปแล้วก็ไปวัดไปปฏิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะถามแล้วก็ฟังมากขึ้นแล้วก็บอกบอกเขาเท่าที่เรา mm hmm. เหมือนเราปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ mm hmm. ได้ก็แค่นั้นรูบอกว่าถ้ารู้ก็ต้องทําเองทุกคนก็ต้องทําเองแค่นี้นะคะ่ะอาจารย์ mm hmm. ก็ไม่ได้ อะไรมากมายเพราะว่าเราพูดไปมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเขจะหาว่าเราบ้าจริงๆอ่ะพระเจ้าใช่โอเคก็ไม่ดีกว่าอย่าคุยกับคนอื่นมากมาราวนาพอดีกว่าค่ะค่ะโอเคอันนี้คุณพรนเพนตามคุณพานเพนใช่ไหมถูกไหมคราวนี้กับนักมาศการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังเหมือนจะบอกว่ามันไม่พุ่งส้านคือมันไม่ไปเรื่องอื่นมันก็มีอยู่เรื่องเรื่องเดียวเรื่องเรื่องแค่ที่เขาตายนั่นแหละค่ะไม่อย่าไปคิดถึงมันเลยใช้พุทโธพุทโธใช้การสวดมนต์พยายามอืมถ้าปล่อยมันมันก็ใช่กลับไปหาเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะมันยังผูกพันกันอยู่ มันเออมันมันมันเกี่ยวกับเราต้องใช้สติพุทโธตัดมันไปมันผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่าพยายามคิดว่มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันคือคือต้องไปอย่างนี้แล้วอืมแล้วคิดแล้วเร้าอย่าไปคิดถึงมันนึงอ่าคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าสวดอิติปิโสไปดีกว่า เอาใจอะไรเบิกบานสดชื่นค่ะสิ่งที่มีมีแรงให้ให้ให้ให้ทําคือคือรู้สึกว่าอยากทำบุญให้เขาอะไรที่ที่จะรู้สึกว่าเป็นเป็นบุญให้ให้เข้าไปก็ทําได้ใส่บาตรถวายทานอะไรก็ได้เนี่ยแล้วทีไรเือทำไปครึ่งก็เริ่มตื่นมาทํากับข้าวทําข น, นมเพื่ได้ตอนเช้า คืมีแรงที่จะทําได้ทุกวันแล้วกพยายามปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัตินั่งแบบมันมันมันมันนิ่งเฉยเฉยมันนิ่งมันนิ่งเฉยเฉยมันยังไม่นิ่งแบบมีความสงบมันยังไม่สงบจริงๆใช่ค่ะมันไม่ไม่ได้มีความสุดเหมือนที่เคยเคยเป็นมันมันกลางๆเฉยๆยังไม่ฟุ้งซ่านแต่ก็ยังไม่สงบแต่ไม่ไม่มันก็ไม่มีต้องพุทโธพุทโธไปเสกขาก็พยายามบังคับให้ให้ตัวเองอยู่กับ แล้วนั่งหลับตาบ้างนั่ ง, งเฉยๆมันถึงจะสงบได้นนะต้องหาเวลานั่งเฉยๆมันถึงจะสงบได้เต็มที่ถ้านั่งถ้านั่งถ้าร่างกายไม่อยู่เฉยๆมันทำนู่นทำนี่มั น, น, นก็จะสงบไม่ได้เต็มที่อ๋อจใจให้เวลาช่วงช่วงที่พยายามเสร็จให้ได้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงที่บอกว่าทําอะไรเสร็จก็จะจะปีก ดูแตน้า น, นั่งเฉิๆเจ้าค่ะแยาไม <Okay. S 1> ่ได้ทุกคนได้ทำบ่อยๆใจเย็นๆมันไม่ใช่ชอากาศขึนน้นได้ทันทีต้องซ้มไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะสงบไพเราะเองะกะว่าว่าเลยครบ50วันแล้วแล้วจะไปหาโอกาสไปกลับอาจารย์ที่วัด ต, ตอนนี้ว่าเปก็กะว่าจะอยู่ใ่บาตในในครบ50วันดูตามวัตยาใส่อย่า อยากอยกู่กับเรียกรับโอเคถ้าถึงไปที่อาจารย์พรมพิไลต่ออันนี้อยู่ใต้แถวแล้วนะอาจารย์หนึกโกนับไปแล้วกลับนวัตกรรค่ะขับข้อมาังแต่แรกค่ะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีค่ะมันหลุดห ล, นะลุดเข้าสีหายลอดครับอาจารย์สบายดีนะฮะสบายดีเหมือนเดิมทุกอย่างหลุดแล้วลแข่แง อ๋อได้ก็ดีใจที่ได้มาเจอประจำวันพุธก็ยังหายใจอยู่ก็ก็ทำทาได้เป้าหมายไปอีกหนึ่งอาทิตย์น่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับเพื่อนธรรมนะคะที่เป็นต่างบ้าอาู้จันเรื่อย ก็ได้มองเห็นสัจธรรมกันอ่าหลุดไปแล้วสัญญาณไม่ดีให้เวลาขอผ่านต่อไปใครเอ่คุณมาลีต่ออากลับมาแล้วพูดใหม่เปิดไม้ก่อนจ้าจารย์พรมไม่ไรเปิดผลคนข้างโอเคขัเปิดแล้วกันครั้งที่ห้าครัสัญญาณไม่ใช้สัญญาณโทรศัพท์เลยแล้วใช้สัญญาณไว f ฟที่บ้าน ไม่ค่ะเหมือนไวไฟที่บ้านเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ไม่ทราบไปใช่ป่ะค่ะเครื่องใหม่แล้วอือันนี้เครื่องใหม่ที่ใช้อยู่ฮะอาทิตย์ที่แล้วใช้เครื่องของผมอ่ะค่ะมันนไม่ได้ที่เครื่องอที่ทำ<น>งานค่ะคะต่ใช่ครับเพราะเมื่อกี้ไม่กล้าไปรีเซตสัญญาณกลัวเดี๋ยวมันจะหลุดไปเลยฮอืครับก็เป็นอนิจจังว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี ออ่าเียบไปอันนี้อย่างีนะค่ะตอนนี้ก็ใกล้ๆมันจะรุดไปรอบนะคะโอเคอ่าท่านผสอนนะไว้เจอกันอาที่หน้ากับกับสวดเทวดาอาจารย์ค่ะสวณทีค่ะสวัสดีครับคุณมารีดาจาวองพ่อค่ะมีมีอะไรไหม ก็สบายดีค่ะหลวงพ่อดีเด็กสดใสเบิกบานค่ะหลว ง, ง, งพ่อไม่เศร้าอค่ะหลวงพ่อดูแล้วค่ะว่ามันไม่มีอะไรเข้าไปเกาะอยู่ข้างในค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็อาการที่จะไหลจะหลงไปกับที่ทมันคิดมันปรุงมันก็ห่างมากแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อน้อยมากวมากค่ะถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะเบิกบานไปเรื่อยๆสาธุค่ะ ค่อยๆเริ่มเห็นอะไรบางอย่างค่ะหลวงพ่อเหมือนเห็นความจริงแล้วแบบมันค่อยๆแบบบานๆมันนิดๆค่ะหลวงพ่ อ, หอเห็นเห็น <ừ. S 2> หลวงพ่อค่ะแต่ว่าใจมันก็สวายนะคะหลวงพ่อมันไม่ไมไม่มีอะไรมาครั้งอืง <ừ. S 2> ค่ะแต่ว่าต้องตามที่หลวงพ่อบอกค่ะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปัญญามันค่อยๆ เคยมาเรื่อยๆมันจิตใจมันน่าจะเบิกบานมากกว่านี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ค่ะหลวงพ่อเห็นแนวทางค่ะหลวงพ่อเห็นแนวทางแล้วก็ปล่อยวางให้ทุกอย่างเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับฟองน้ําไม่มีสาระกันสารอะไรค่ะหลวงพ่อลองไปหลงมาเยืดไปติดจัมาเอใช่ค่ะหลวงพ่อทั้งหมนี้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหมดนี้เป็นเหมือนเป็นฟองน้ํา ค่ะมันเหมือนมันเหมือนหนูหลักปลาแล้วกัพพิตาแล้วแล้วมันหายไปแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันมันมันแวบเดียวค่ะพอมันเหมือนฟองเหมือนที่หลวงพ่อบอกฟองน้ํามันมันแค่ลอยอยู่แวบเดียวแล้วมันก็หายไปแบบนี้ค่ะหลวงพ่อฟองบางฟองมันก็อยู่หน้าหน่อยเช่นนัางกายนี้มันอยู่หน้าหน่อยมันก็เป็นฟองที่เหมือนกันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ตแตกเหมือนกัน ค่ะหลวงพ่อลองทุกอย่งให้เห็นว่าเป็ น, นฟองสบู่ค่ะหลวงพ่ออะไรที่เป็นใตด่างนี่นเป็นฟองสบูนะ่ทั้งหมดนะมีแต่ดินน้ำลมไฟกับท่าตุทุกธาตที่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นฟองสบู่ค่ะหนูเห็นว่าไอ้ตัวตัวรู้ตัวเนี้ยค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยแต่ว่าไอ้รู้ตรงเนี้ยมันไม่เปลี่ยนค่ะหลวงพ่อมันก็จะรู้รู้มันก็รู้มันไปอย่างเนี้ย ยังรู้แบบฉลาด ร, รู้แบบโง่เท่านี้คถ้ามีปัญญาก็รู้แบบฉลาดถ้ามีกิเลสก็รู้แบบโง่ก็ไปลหลงไหลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดว่าเป็นของจริงของจังใช่ไมถ้ามันเป็นปัญญาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงจังหรอกไม่มีของอะไรที่เป็นการสารไม่มียังยืนถาวรเดี๋ยวมันก็แตกเหมือนเหมือนกับฟองนะฟองสบู่เนี่ย งา น, นกูบาอาจารย์วันนี้สองเรื่ก็แตกไปละฟองสบู่หายไปละไม่มีวันจับมาอานกะฟองสองฟองนี้ค่ะหลังหองออ่าเราก็เหมือนกันเนี่ยว่าเราทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นฟองสบู่ก็จะฟองเดี๋ยวก็แตก <c oughs> รอเวลาจะแตกอ่มเดี๋ยวมัน ไ, ไปหมดไม่มีอะไร อ, อยู่ในเรื่องนี้ก็ดูคนคที่เข้ามาก่อนเราเนี่ยบุญญาตายายตาทั่วที่มา ให้ายไปไหนเหมือนละค่ะหลวงพ่อแล้วมันจะต้องผ่านตรงนี้ทุกคนนะคะหลวงพ่อไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปอะไรกับมันค่ะหลวงพ่อแล้วมันของชั่วข่าวค่ะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่ออโอเคนะขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆนะคะสาธุครัสวัสดีตอนต่อสวัสดีตอน ทำงานที่บ้านทุกวันพุธเลยนะทุกวันพุธเจ้าค่ะน้องกลับน้องกลับมาแล้ก็ก็ก็ฟิตกี่วันอาทิตย์หนึงเนหนูเข้าวันอังคารกับวันศุกร์เจ้าค่ะอครับสองวันเจ้าค่ะสวันค่าหลวงพ่อคะหนูหนูรู้แล้วคะ่ะหนูรู้แล้วคะ่ะ <laughs> เพราะว่าเมื่อเมื่อกี้นี้ที่เออหลวงพ่อพระจานทร์คุยกับคุณมาเรียนะคะอืมเพเอิญว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา คือปกติเนี่ยหนูจะปฏิบัติธรรมวันเสาร์วอาทิตย์มากกว่าปกติอะคะ่ะอืลก็เหมือนเรารู้สึกหรู้สึกว่าเอ่อวันธรรมบาราหนูก็จะนั่งนั่งประมาณเท่าเท่าที่ทําได้นะคะบางทีก็เช้าเย็นบางทีก็กลางวันเย็นอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เหมือนจิตเรายังไม่เดินปัญญาสักทีนึงนะคะเออเอินว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นงานเอ่องาน งานพระราชทานเพลิงศพของหลวงตาที่วัดไทยดีซีซึ่งท่านามารณาภาพไปต้นปีไงคะก็จะมีอพระที่เดินทางมาจบทั่วโลกเพื่อที่จะมาร่วมงานพิธีศพของท่านนะคะ <c oughs> ก็มีหลวงลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาซึ่งท่านาท่านประสานโน่ะค่ะท่านมาแล้วท่านก็เทศเรื่องเกี่ยวกับพระไตรลักษณ์เทศเกี่ยวกับ เ, เกิดแก่เจ็บตายก็คือเทศตรงอย่างที่หลวงพ่อเทศเลยะค่ะแล้วมันเกิดความปรปับปรึมความทราบสินใจว่าธรรมะที่เราได้ฟังจากหลวงพ่อฟังจากพระอาจารย์บางทีเราฟังจนชินแต่เมื่อเหมือนเหมือนกับกเมื่อมีพระอุกอื่นที่มากระตุ้นอางทีหนึ่งจิตมันก็เริ่มเปิดขึ้นอย่างเงี mm ้ยค่ะหนูก็น้าตาซึมนิดหน่อยนะคะ แล้วเสร็จแล้วหนูก็บังเอิญไปเจอคุณแม่อีกท่านหนึง่งซึ่งท่านใส่ชุดขาวมาน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วอะค่ะแล้วหนูก็ไปเรียนท่านบอกว่าโอ้หนูฟังธรรมมาแล้วหนูบาปปื้มใจหนูถูกกระแทกลงที่จิตอย่างแรงเลยท่านบอกหนูบอกว่าให้มองลงที่จิตไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องปบาปปื้มใจร้องไห้เสียใจใดๆทุกอย่างคืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาอืม ไม่มีความทั้งหมดคือการยอมรับความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงนามไม่เทียงสิ่งเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายไม่เทียงคนนี้พอหนูฟังแล้วหนูหนูก็ขอโทษคพาจารหนูก็เลยสะดุดอะคะ่ะเหมือนกับว่าเหมือนเราปฏิบัติธรรมในรูปแบบของการนั่งนั่งสมาธิและเจริญสติโดยถ้าเราลืมคิดไปว่ามันลงมันต้องลงที่จิตทุกครั้งที่เวลามีอะไรกระทบ แล้วพอเหมือนกับถูกคุณแม่ท่านนี้กระทุ้งอะค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับท่านว่าหนูมีความทุกข์ใจเรื่องหนึ่งซึ่งคล้ายๆล้ายกับเรื่องที่ว่าหนูถูกมีอีเมลมาต่อว่าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราผิดแล้วเราก็ไม่ยอมรับว่าเราผิดเพราะเราไม่ผิดมันมันก็มีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าทําไมหนูหนูไม่ผิดทําไมหนูต้องยอมรับว่าหนูผิด แล้วถ้าจะไปขึ้นลงขึ้นศาลจริงๆหนูก็คิดว่าหนูจะไม่ผิดเงี่ยคะ่ะแต่พอพิจารณาแล้วว่าถ้าหนูจะไปทางนั้นใจหนูไม่มีความสุขเลยมันไม่มันไม่ควรจะไปทางนั้นนะคะแล้วถ้าหนูยอมพอพิจารณาว่าตัวเองจะยอมปุ๊บมันกลับโล่งแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องทําทางเราต้องใช้ธรรมะนําหน้าในชีวิตประจําวันเราต้องใช้นํามะธรรมะนําหน้าเราถึงจะเราถึงจะหลุดพ้นได้ คนนี้พอหนูพิจารณาแล้วหนูก็ยอมรับว่าได้ถ้าเขาถ้าเขาว่าเราว่าเราผิดแล้วเขาไม่ยอมเรื่องเกี่ยวกับเงินทองแล้วเรายอมปล่อยมันกลับกลายเป็นว่าการยอมของเรามันทำให้จิตเราเป็นสุขมากกว่าเขาอาจจะเป็นเจ้ากรามนายเวรหรือว่าเราไม่ต้องการสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาเราเรายอมเขาดีกว่าพอพิจารณาได้อย่างนี้ปุ๊บมันมันปล่อยอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วมันเห็นถึงกันมันเห็นถึงไตรักของความ ความไม่ยอมจนกระทั่งความยอมแล้วก็ความหลุ ด, ลดจากความยอมแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหนูรู้สึกว่าใจหนูเบาขึ้นเลยเอคะค่ะ<ม>แล้วก็หนูก็ถูกคุณแม่คุณ ค, คุณน้าท่านหนึ่งซึ่งคือหนูโชคดีว่าหนูปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยแล้วหนูเข้าวัดมาพอสมควรหนูก็จะมีพี่ป้านะอาแถวนี้ที่คอยคอยให้ความผิดทางด้านธรรมมากับหนูได้แล้วคุณคุณน้าท่านนึงท่านก็หัวเราะหนูแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงละ่ะทุกมากี่วันแล้ว พอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็หายปั๊บเลยใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันจริงค่ะเราผหนูมาฟังธรรมะของพระอาจารย์เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาหนูก็รู้สึกว่ามันต้องยอมกิเลสแค่นี้ถ้าหนูยังข้าก้าวข้ามไม่ได้จะไปหวังอะไรกับมรรคผลนิพพานพอมันพิจารณาลงตรงนี้ปุ๊บมันมันยอมหมดเลยค่ะมันมันยอมหมดเลยค่ะว่าว่าเราว่าเราต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ะค่ะว่าต้องพิจารณาให้ หนักแน่นมั่งมั่นคงแล้วก็ให้ถี่กว่านี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันต้องปล่อยทุกอย่างนะในที่สุดไม่มเป็นที่เราเรียกวันเป็นถือว่าเป็นของเรามันไม่ใช่เป็นของเราทั้งนั้นนะ่ะค่ะมันต้องมีการพัดท่าจากการเป็นธรรมดาค่ะมันมเตรียมตัวเตรียมตัวปล่อยวางให้หมด ค่ะเหมือนมันเหมือนมันทราบอยู่แล้วคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอมาเกิดขึ้นกับเรามันไม่ซูมจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้ถ้าเราก้าวข้ามแต่ข้ามตรงนี้ไม่ได้นี่มันยังเป็นแค่กิเลสอย่างหยาบแล้วเราจะไปกิเลสอย่างละเอียดได้ยังไงเราเราสู้กระทั่งตัวเองไม่ได้เราไม่มีความสามารถตรงนั้นพอมันคิดอย่างนี้ขึ้นมาใจมันก็เริ่มเหือห่อมาคะ่ะว่าในการปฏิบัติธรรมแต่ละวันมันก็จะมองแต่สิ่งที่มากระทบว่านี่ยังไงล่ะพิจารณาลงสิ เราความรู้ที่เราสั่งสมมาก็มีตั้งเยอะแยะที่เราฟังมาก็มีตั้งเยอะแยะตอนนี้มันถึงเวลาที่เอาความรู้ตรงนั้นมาทำให้มันเป็นความจริงได้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมอ่าดีาเราใช้ใช้ปัญญาดับดับทุกไปเรื่อยๆด้วยการปล่อยวางด้วยการยอมหยุดเย็นค่ะค่ะเป็นเพราะว่า กิเลสมันมีหลายชั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ถึงได้มีสังโยชน์สิบการละตัวมันมีหลายตัวอะไๆไม่ใช่มีตัวเดียวเพราะว่าเรื่องบสิบก็สิบตัวเนี่ยกิเลกิเลตัวสำคัญสำคัญนี่ก็มีอยู่สิบตัวเนี่ยเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนเรายอมได้แต่เรื่องเดียวกันกับอีกคนหนึ่งกับยอมไม่ได้หรือเรื่องคนเดียวกันกับเรื่อง เรายังมองครับยังมีความแตกต่างกันอยู่เรายังมองไม่เห็นว่ามันเหมือนกันหมดทุกคนค่ะแล้วพอฟังพระอาจารย์แล้วหนูพย้อนกลับมาว่ามันต้องดึงลงมาให้มันถึงให้มันกระแทกให้ถึงใจเพราะมันถึงจุดที่ใจมันยอมรับแล้วมันก็อ๋อขึ้นมาแล้ว่าอ๋อไอ้ที่เราฟังมาตั้งนานนี่ยทําไมมันทําไมมันไม่มันไม่หลุดแล้วพอมันหลุดขึ้นทีละเรื่องมันก็ มันก็ว่างเลยค่ะอาจารย์ใช่มันต้องมีทุกข์ก่อ น, นถึงจะหลุดได้ค่ะถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีไม่มีความจําเป็นจะต้องพิจารณาหาหาเหตุหาอะไรค่ะยังนั่งรอให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างคนส่งอีเมลมาทําให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็เราคิดแล้วทําไมเราต้องทุกข์กับมันเรายังยึดติดอยู่ใช่มหมยึดติดกับสิ่งที่เขาทํา ต, ตำหนิเร า, ราอะไรตำหนานี้ เราจะให้เขาไม่ตำหนิเราได้ไหมก็ไม่ได้ได้เพาปล่อยว่าตำหนิไปมันก็อยากให้ทุกข์ไปค่ะแล้วหนูก็เลยทราบว่าการวางจิตของเรามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อเราเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการการาสื่อสารนะคะเขาก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแล้วพอเราโล่งปุ๊บเรารู้สึกเลยว่ามันเรื่องแค่นี้เองจริงๆแล้วมันแค่นี้เองนะวิธีวิธีการพลิกของมัน มันไยากเลยแต่ว่าทําไมเราถึงยึดติดแล้วพอมองอย่างนั้นหนูก็พิจารณาลงไปว่าลองดูสิบบารมีสิบเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราได้ทําทานบารมีหรือยังเราทําเต็มที่หรือยังหรือว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าเราทําอ่ะมันยังมันยังมันยังยึดติดอยู่กับแค่นี้มันมันต้องทํามากไปกว่านี้หรือเปล่ามันต้องทําลึกไปกว่านี้หรือเปล่าอย่างไงค่ะเหมันก็ต้องทําหมดเลยอะไม่ได้เลยมันตัวกั้นอยู่ไงค่ะอาจารย์ นั่นแหละคะ่ะแต่ก็มั น, ม น, มนก็สละมวนเรื่องใบบววเลยแบบว่าที่เจ้าสละราชสมบัติแล้วใบบัวเลยค่ะ <c oughs> ว่ะอาจารย์หนูเป็นน้อยหนูก็เริ่มโป่เปิดออกเทเลนิตเปิดออกเทเลนิตนะคะเริ่ม เ, เริ่มเห็นออกเทเลนิตแล้วค่ะวันนี้หนูก็มีประมาณนี้ค่ะมามาอ <c oughs> าจารย์แล้วคะ่ะกลับขอบพระคุณพระานนอ า, าจารย์มากๆในนี้ค่ะสาธุจ้ะอาจารย์สภัชตาต่อ เป็นยังไงอาจารย์ถว่าดีเลยกับนมัสการคท่านอาจารย์เจ้าชะดีขึ้นเจ้าค่ะเป็นยังไงดียังไงไม่เครียดเลยดีขึ้นตั้งแต่พบพระอาจาร ย, าารย์พระอาจารย์สั่งสอนเมื่อครั้งก่อนหน้านั้นครั้งที่แล้วลูกพยายามเข้าก็แต่ก็เข้าไม่ได้<า>พยายามเข้าทุกทุกฟูดแต่ว่าคิวยาวเจา้าค่ะว่ สบายใจขึ้ น, พ, กกนพี่พกกนอะค่ะสบายใจขึ้นที่พระคือมองโลกที่พระอาจารย์บอกว่ามันเป็นละครลูกก็เลยบอกไม่ไปจริงจังกับมันคือเราทําหน้าที่แต่ว่า เ, เล่นตามบุตรของเราไปใช่จ้ะ <laughs> ไม่ต้องไปหวังอะไรจากการเล่นนี่มันเป็นมันแค่เป็นการเล่นเท่านั้นได้ได้ไมาก็เป็นถือว่าเป็นของแถมไปกันแล้วนั้นอย่าไปหวังว่าจะ แต่ไปหวังจะได้อะไรจากอะไรไมันก็จะสบายที่เครียดที่ทุกกคนมาหวังอยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้กันอย่า<ช>ไสอยาะ อ, อยู่กับความจริงเล่นหน้าตามทามําตามหน้าที่ของเราส่วนอะไรผลที่มันจะตามมาจะดีไม่ดีก็ช่างหัวมันเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนที่สมันก็ต้องเคียรหมดทุกอย่างอยู่ดีอะไรที่เราได้มาทั้งหมดนี่เมื่ตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว เจาค่ะรู้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะหลังจากวันนั้นรู้รู้สึกว่าเออเราก็แค่ทำตามหน้าที่ของเราเรามีบทบาทอะไรหน้าที่อะไรก็ทำไปเพราะว่าไม่เราจะได้ไม่ได้ดูเหมือนเป็นคนละเลยต่อหน้าที่แต่ผลมันเป็นยังไงก็เ็แล้วแต่ปัจจัยของมันคนจะชอบไม่ชอบเราก็ไปรังแคบเขาไม่ได้แล้วคะแล้วค่ะแต่เราต้องไม่ไม่ไม่บอกร่อในหน้าที่ของเรา จะเป็นข้ออ้ายข้อไล่เราออกได้ใช <laughs> <c oughs> <c oughs> ่จ้าค่ะรู้สึกว่าพอเราเราบอกว่าเราปล่อยให้มันเป็นผลตามผลของมันเป็นยังไงแล้วเรานิ่งขึ้นมันมันรู้สึกว่าเราไม่ไปวิ่งวิ่งไล่ตามมันเจ้าค่ะแล้วมันเบาเบามากไม่มีความอยากจะได้ผลปล่อยให้ผลมาตามเหตุตามปัจจัย ใช่เจ้าค่ะรู้สึกรู้สึกเบาขึ้นเยอะแล้วก็ตอนเช้าก็ได้นั่งสมาธิรู้สึกถ้าวันไหนเหนื่อยก็อ่านั่งสมาธิเหมือนเดิมทุกวนันอะไรเงี้ยเจ้าค่ะตอนเช้าพยายามเจ้าค่ะพยายามเตือนใจล้วกาลังเล่นละคร อ, อยู่ทั้งนั้นเนี่ยวทุกอย่างก็เป็นเหมือนฟองน้ำเนี่อ <c oughs> เดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวฟองนี้ก็แตกเดี๋ยวฟองนั้นก็แตกแตกทีละฟองสองฟองสลับกันไป เจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะรู้สึกรู้สึกเบาขึ้นเยอะเจ้าค่ะเบามากพยายามรักษาความเบานี้นนไปเรื่อยๆและการปล่อยวางกบขอพ็ปล่อยวางก็จะเบากราบขอบพระคุณเจ้ า, า, าจค่ะนะเจอ่ามันสันนิทามันนี่มาคิวสุดท้ายมันสันนิการในมัธยมศึกษาอาจารย์ค่ะง่ายขึ้นนอนแล้วเลย ขึ้นอนแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมาร่วมรับฟังธรรมค่ะวันนี้ได้ทําดีๆเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามอะไฟังข้างนอกเลยเมื่อกี้ใช่ค่ะมางข้างนอกแต่ก็รอคิวอยู่เพื่อได้ค่ะขอนที่รอคิวตอนที่รอคิวอยู่นี่ก็เปิดทังไลท์ถ่ายทำดไปอีกเครื่องหนึ่งเครื่องเดียวกันค่ะพระอาจารย์ฟังจากยูอูบค่ะ ในเวลาเขาเรียกเราปล่อยเราเข้ามาเราจะรู้หรือว่าเราเข้ามาแล้วแต่จะรู้ค่ะมันจะเสียงเสียงเสียงมันจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงของซูมาค่ ะ, ะมันจะเสียงคนละแบบกันก็เลยจะจะทราบอยู่ค่ะอืมดอเดค่ขคะข่าวว่าขึ้นไะแมทเนี่ยถ้าทุกคิดว่าทุกทุกคนก็ได้พูดกันหมดแนละ้วเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็ต้องขอยุติการสนทนาทางไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้